ทังสรนงังกัจฉามิธรรมังสรนงังกัจฉามิสังขังสรนงังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนงังกัจฉามิ ทุติยมปิธรรมมังสรนังกัจฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังกัจฉามิกัติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิ ตัดยำปิทั้มังสนังขจามิตัยมปิสังคังสนังขจามิ ต, ต, มติสนัขมณัง น, นิทิ ต, ตัง <c oughs> จริ่มทำ พรุ่งนี้อัตมาก็จะเข้าสันติอโศกวันนี้วันศุกร์ที่22สิงหาคม2557แรม12คำเดือน9ปีมาเมียก็รู้สึกว่าพวกเราก็ดีเนาะก็ใส่ใจการศึกษาการเรียนกันดีอยู่ และตมาว่าเออพวกคุณก็ฉลาดขึ้นเนะฟังธรรมลึกๆฟังธรรมยากๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออฟังรู้เรื่องนะก็ฟังธรรมรู้เรื่องเข้าไปเรื่อยๆรืยๆได้ออาตมาก็เลยยิ่งมันเขี่ยวก็เลยยิ่งมหาไล่เข้าไปเจาะเข้าไปเรื่อยๆรื่อยๆรืยๆแล้วก็ฟังเข้าไปได้เรื่อย เออเราจะปฏิบัติตามทันไหมเนี่ยนะที่จริงมันก็ต้องอธิบายอย่างนี้แหละอธิบายเป็นแผนทีนะ่อธิบายเป็นแนวทางข้อปฏิบัติทางปฏิบัติให้รู้เรียกว่าปริญติแล้วเราก็ปฏิบัติตามซึ่งทุกคนต้องรู้ตัวเองนะต้องรู้ตัวเอง ว่าตัวเองเนี่ยอัตตัญญูตาต้องประมาณตนเองตนเองตัวเราก็เท่านี้ไอรู้ก็รู้ไปแต่ไอทาต้องทาให้พอเหมาะกับตัวเองนะทำให้มันได้ตามที่เราเองเราดูต้องตรวตัวเองจริงว่าเออยิ่งรู้ว่าเออเนี่ยเราจะอยู่ขนาดไหนนะเนี่ยโซดาปฏิมาโซดาปฏิผล สกิทาคามีมรกคามีผลหรือว่ายังอยู่แค่ปุตุชนพยายามภาคเปลี่ยนเป็นสัพทานุสารีหรือเป็นธรรมานุสารีแ ล, แล้วเราก็ดูตัวเองพยายามดูให้ชัดดูให้จริงแล้วก็กําหนดเรียกว่าศีลเรียกว่าข้อกาหนดเรียกว่ากรรมฐานของตัวที่ตั้งของการปฏิบัติกรรมฐานที่ตั้งของการปฏิบัติ ก็เท่าเท่าที่เราเองเราพอมีมีภูมิที่เราว่าเอาเท่านี้ไม่ต้องอยากใหญ่อยากโตอะไรอยากเร็วอะไรแล้วถ้าเราว่าไปหมายเอาสูงสูงมากๆเราก็ลองตรวจดูสิว่าไอ้สูงสูงมากๆนั่นน่ะมันอยู่ในขนาดไหนเรามีคุณธรรมมีแล้วหรือยังคุณธรรมดังว่านั้น มันเข้าเกณฑ์เข้าขนาดนั้นแล้วหรือยังอะไรเงี้เป็นต้นเราก็ต้องตรวจจริงๆถ้าเข้าเกณฑ์แล้วก็เอาตกลงเขาทำไปตามที่เรามีจริงถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์เราก็ต้องรู้ว่าเออเราอยู่แคน่นี้เนาะเรากป็ปฏิบัติแกนนี้ผู้อื่นก็จะปฏิบัติได้ยังไงก็อนุโมทนาสะอาดถุกเข้าไปเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะเรากาลังนาธรรมะนี่มาเป็นแกน เป็นแกนเป็นแก่นของการศึกษาของการปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็เอามาใช้รวมกันกับการศึกษาทางโลกเขาก็ว่าเขาการศึกษานะเราก็ศึกษาทางโลกเราก็พยายามที่จะไปเชื่อมไปโยงก็ทางโลกแม้ที่สุด ร่วมกับนิตินัยเขาได้เราก็เอ้าถ้าทำได้ร่วมยังไม่ได้เราก็เอาความรู้ทางนิตินัยหรือว่าทางข้างนอกเขาจะมีอะไรอะไรบ้างเราก็เอามาดูมันมีแนวทางอย่างไรมีอะไรอะไรยังไงที่คิดว่าเอออันนี้ดีก็น่าจะร่วมน่าจะไปได้กันแล้วเราก็เอามาปฏิบัติเอามาประพฤติจริงๆเอามาประยุกหรือ เอามาทาความเข้าใจแล้วว่ามันไปได้กันได้ตรงไหนมันไปได้กันไม่ได้อย่างไรแค่ไหน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางการศึกษาข้างนอกเขาเนะ่เาเอามาจากตะ ว, วันตกนันเป็นหลักก็ไม่ใช่ไม่มีส่วนดีก็ดีแต่มันเข้ามาแล้วมันกลายเป็นว่ามัน มันเด่นกว่าแบบไทยๆหรือเนื้อแท้ๆก็คือแบบพุทธเด่นกว่าแบบพุทธมันเด่นกว่าแล้วมันทำให้พุทธนี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยอาตมาก็เห็นว่ามันมันมันขาดแน่นอนถ้าอยางังนมันบกพร่องมันไปไม่ได้แล้วมันไปไม่ได้แล้ว เพราะจ ร, จริงๆลึกๆแล้วแนวพุทธกับแนวของตะวันตกเขาจริงๆนั่นนะทางน้นเขาเทวนิยมนะทางเราในอัคเทวนิยมอเทวนิยมนี่คือการศึกษาแบบฟิโนมินอโลยีอเทวนิยมนี่ของพุทธเนี่ยเป็นการศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ถึงขั้นทางจิตเลยวิทยาศาสตร์ทางจิตสามารถที่จะพิสูจน์ได้เป็น นะสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัอยิโกปัจจตังเวทิตโภวิญญูหีติท่านยืนยันไม่เลยเอาบุคคลก็มาศึกษาประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงเลยไม่ว่ายุคไหนอากาลิโกปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติบรรลุจริงเป็นจริงแม้เป็นเรื่องของ จิตปัญญาโอปนายิโกเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องลึกเป็นเรื่องควรเอื้อมโอปนายิโกเราก็เอื้อมเรื่องสูงเรื่องลึก เ, เรื่องปรมัตนะเป็นเรื่องว่าด้วยพลังงานในระดับของนามธรรมาเราก็พิสูจน์ได้สันติทิโกแล้วก็เอหิปสิโกคือตัวเราเองเนี่ยมาพิสูจน์ แล้วก็คนอื่นก็เข้ามาพิสูจน์ตามมาดูตามเลยอยากรู้อีกจริงๆก็มาปฏิบัติ ด, ด้วยเลยและก็จะเกิดผลตามเป็นปัจจตังนะสันติโกเอหิปสิโกปัจจตังวิทิตโพนี่สตัวนี้มันยืนยันว่าพิสูจน์ได้เราพิสูจน์ได้โดยเอาตัวคนเนี่ยตัวใครก็แล้วแต่ตัวคนตัวคนผู้ใดผู้หนึ่งมาได้แล้ว คนผู้อื่นมาเห็นว่าอ้าเป็นอย่างงี้เหรออย่างสมมติเขาเข้ามาในาโเนี่เข้ามาสัมผัสคนโศนทุกวันนี้อาตมาว่ามันชัดนะใครเข้ามาที่นี่เนี่ยเขาจะมีความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็าทำมาสัมผัสแล้วคนพวกนี้เขาอยู่ยังไงมันไม่เหมือนนะใช่ั้ยเขาสัมผัสยังไงก็ไม่เหมือนอยู่ไปเธอยิ่งอยู่ไปเป็นเดือน ไม่เหมือนนะไม่ไม่เหมือนข้างนอกเลยอ่ะเอาเธอเขาจะไม่มีความรู้เขาจะไม่ได้มีหลักวิชาเขาจะไม่อะไรก็แล้วแต่เข้ามาเธอเข้ามาอยู่รวมสัมผันสในนี้ก็จะรู้ว่าชีวิตพวกเราเนี่ยเกิดอย่างนี้เพราะการศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วมันทําให้เราเป็นเช่นนี้จนเป็นสังคมกลุ่มวงมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมพฤติอะไรต่างๆนานาอยู่กนนี้จริงๆ ต่างจากที่เขาอยู่กันข้างนอกซึ่งก็อยู่กันอย่างนั้นจริงๆเขาก็อยู่ข้างนอกเขาก็อยู่กันอย่างนั้นจริงๆสรุปแล้วเขาไม่รู้หรอว่าไอ้นี่คือโลกุตระไอ้นั่นคือโลกียะเขาไม่รู้แม้แต่พวกเราหลายหลายคนก็ไม่ ไ, มได้ไม่ได้เข้าใจว่าเอ อ, อ น, นี่มันโลกุตระหรือไม่ได้เรียกไม่ได้ใช้ภาษาเรียกว่า น, นี่มันโลกุตระแต่บางคนก็รู้แล้วละ่ะหรืออาริยะเนี่ยโลกุตระคืออาริยธรรม ทุวันนี้อาตมาเปิดเผยแล้วก็ยืนยันอย่างนั้นเลยนะใครจะออกปวดอุตริธรรมก็จะว่าไม่เป็นไรว่าก็ว่าไปมันถึงข่าวถึงอะไรที่จะต้องไม่มานั่งอมพระน้ำหรือว่าไม่มานั่งมิตรกมิตกเมียนอะไรกันละเพราะว่ามันพูดกันมานานแล้วมันก็ยืนยันกันมาก็อย่างนั้นแหละไม่เคนจะยอมรับอะไรกันเลยภาษาในหลักฐานในพระจักรปยดกในตำราวิชาการอะไรก็มีอยู่ทั้งนั้น แต่ก็ลอยลมอยู่อย่างนั้นนะไม่เห็นมีเนื้อเราก็บอกเรายืนยันว่าเรามีเนื้อเน่ยเขบอกว่าเนี่ยมันอวดอุตริมุสธรรมอ่ะอวดสิมันของคนอวดอ่ะที่จริงอ่ ะ, ะแล้วจะไม่พูดในประเด็นนี้ว่าอวดได้หรืออวดไม่ได้คนอวดหรือไม่คนอวดเราจะยังไม่พูดวันนี้เพราะงั้นเมื่อพวกเราได้สิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็มาดูกันข้างในเนี่ยหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยซึ่งนำพากันไปตอนนี้ก็อาตมากเกินแล้วว่าเรากำลังจะรวมประสานกันระหว่างความรู้ข้างนอกกับความรู้ที่เราเองเรามีแก่นแก่นจริงแล้วไม่มีใบรับรองหรอกนะไม่มีใบอะไรรับรองไม่เป็นสถาบันอะไรรับรองที่คนข้างนอกเขาร่วมรู้ด้วย แต่เรารู้กันเองเรารู้กันได้เองอแต่เรากำลังจะพยายามเชื่อมต่อเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามเอาข้างนอกเอาหลักฐานอหลักการนออะไรมาซึ่งผู้ที่จะนำเข้ามาที่อาตมาว่าไปตั้งหลักข้างนอกเชื่อมได้ซึ่งอาตมาก็ยังดีใจจ ะ, จะว่าดีใจพูดเป็นโวหารธรรมดา ที่จริงก็ไม่ได้ไปฟูฟองอะไรในใจหรอกแต่ว่ารู้ตามความเป็นจริงอ่ะแ้ามันก็เกิดความเป็นจริงนะว่าเออมันดีนที่สามารถเชื่อมเข้าไปตรงนั้นเป็นหลักเป็นฐานเป็นหลักวิชาการก็คือทำให้เกิดหลักฐานที่เป็น ที่สี่เป็นบทวิจัยที่รับรองในระดับปริญญาเอกเป็ น, ขนแขนงโดยตรงเลยชื่อเรื่องบอกตรงๆเลยว่าเป็นเรื่องของศาสนาพุทธเป็นจรณะ15วิชา8เมื่อเราได้แล้วเราก็เลยมาคึกคักกันก็มา พยายามนำเข้ามาเพราะเราก็แหมก็ตือรือร้นกันต่อก็เห็นดีนะอย่างที่เป็นเนี่ยแหละนะปริญาเอกมาหลายผู้หลายคนอย่างตรงๆเนละยจริงๆก็มีอภิสิทธิ์กันหนึ่งฟาที่เป็นที่สีชื่อระบุชัดเลยนะนอกจาพวกเราก็มีอีกหลายผู้หลายคนปริญาโทรปริเอก ที่ก็มีส่วนมีส่วนของชาวเรานี่แหละซึ่งโยงใหญ่กันได้กล่าวถึงอ้างอิงอธิบายต่อกันได้แต่ตัวพยัญชนะตัวบัญญัติตัวหลักเกนด้ตัวทฤษฎีสูตรต่างๆนานานั้น อ, อ, อย่างของหนึ่งฟ้าก็ของอภิสินเนี่ยเป๊ะเลย ทีนี้อภิสิทธิ์กับหนึ่งฟ้านี่หนึ่งฟ้าที่จริงกันคนในแต่ก็เหมือนคนนอกเพราะพวกเราไม่ค่อยจะตรงจริตกันเท่าไหร่จริตหนึ่งฟ้าก็เป็นอย่างของเขาซึ่งเพราะจริตของเขานั่นแหละมันถึงอยู่กันที่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรล่ะไม่ค่อยเชื่อมไม่ค่อยอสมัครคีเท่าไหร่ ก็เลยเป็นไปแต่ตอนนี้อาตมาก็เห็นว่ามันต้องเข้ามาละเข้ามาช่วยกันถึ่เขาก็เต็มใจนเข้ามานาเข้าม า, า, า, มาทำกันเต็มที่พวกเราก็เห็นอยู่ก็เข้าใจอยู่แต่ก็น่าจะรู้บุคคลกันนปะปกครองปรรญยุตาว่าเออเขาก็มีจริตแบบนี้เป็นอะไรแต่แบบนี้ อย่างิศิลี่น เ, นเขาจะไม่ได้คามาสนิทสนมแต่เขาก็เป็นชาวโศกมาสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทไปเมืองนอกก็กลับมาโอ้เก่าแก่นะอภิสิทเนี่ยก็เป็นคนเก่าแต่ว่าเขาไม่ได้คามาคลุกเขามีธุรกิจก็มีงานกิจการนั้นแล้วเขาก็อยู่แบบของเขาขนาดของเขานั่นแหละน่ะ แต่เขาก็ไม่ได้เหินห่างอะไรมันก็ก็ก็ทำอะไรร่วมๆอยู่เพราะงั้นสิ่งที่อาตมานำขึ้นมาพูดวันนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าพวกเราควรจะต้องเข้าใจในที่กำลังทำอยู่นี่ว่ามันคืออะไรและเราก็จะต้องไม่ใช่ตั้งตั้งข้อที่จ ะ, ะจับ จุด น, นั้นอันนี้มาเพื่อที่จะมาคานมาแยมมันควรจะต้องพยายามหาทางทํายัรประสานเพราะว่าเนื้อแท้หรือจริตจริงมันก็มีอะไรที่ยังมันมีอะไรเกินเกินขาดขาดหรือว่ามันยังผสมผสานกันยังไม่เนียนนะมันก็ควรจะต้องเอออันนี้เราคนจะต้องทําให้มันดีขึ้ น, นเข้าใจซะว่าหลายอย่างบางทีบางคนนี่เป็นวาสนาก็ดีเป็นจริตก็ดี ขอแต่ละคนแต่ละคนนี่บางทีมันก็แก้ยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่ามันจะไปล้างไปเปลี่ยนทีเดียวไม่ได้นะเราก็ต้องเพื่อไปรับไปแต่เจตนาหรือว่าจิตใจที่มุ่งหมายโดยเฉพาะเจตนาเจตนารมสิ่งที่เราจะทำ น, ะนะั้นอาตมาว่าก็มากันเต็มร้อยอยกันอยู่แล้วนะอันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่ายังไงยังไงก็ ก็ค่อยทำความเข้าใจกันดีๆนะเช่นว่าจะเอาระบบของข้างนอกเข้ามาที่จริงอาตมาก็เห็นอยู่ว่ามันเหมือนก็จะมาทำให้มันเป็นเรื่องของการศึกษาที่รวมอยู่ในการศึกษาที่จะเป็นลักษณะมอนอยู่ในกล่องรวมกันเป็นหมู่เป็นกล่องที่จริงและธรรมชาติ ธรรมชาตินั้นนะ่ะคนไม่ได้อยู่เป็นกองกองกองกล่องงั้นหรอกมันก็กระจายกระจายกันอยู่อย่างพวกเราเนี่ยกำเราเรากำลังทำให้มันเป็นเป็นสังคมเป็นสังคมรวมเป็นสังคมทั้งหมดเพราะฉะนั้นในลักษณะที่ข้างนอกเขาเรียนก็จะไปกระจุกนักศึกษาก็เอาแต่ศึกษาเป็นโมไปนะที่นี้มาที่นี่ก็เลยติดอันนั้นมา เอาการศึกษาก็เป็นเป็นหมูไปทีนี้ผู้ที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นการศึกษาเป็นชาวบ้านก็เลยกลายเป็นเออยิ่งมาเป็นกระจุกนักศึกษาเป็นหมูไปมันก็ลกลายเป็นเ อ, อมันมีมันมีความไม่ผสมกลมกลืนมันกลายเป็นเหมือนมาแยกรูปอะไรขึ้นมาซ้อนอยู่ในนี้น อาตมาพยายามอธิบายสัจธรรมและรูปธรรมให้เห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยจะได้เข้าใจไม่ได้เจตนากันหรอกแต่ว่ามันติดติดมาแล้วมันก็อะไรนี่อาตมากะชีบอกให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยบางทีนี่บางคนไม่เข้าใจอะไรก็โอ้อันนี้เข้ามา ด, ดูดูสิดีไม่ดีก็คนของที่นี่ที่เป็นคนชุมชนโดนดึงมาเป็นอยู่ในกลุ่มท้งน้นก็ขาด เมืขาดทางนี้ก็บ่กจะไปจะขอแรงก็พาไปเป็นหมู่ถ้าไม่หมู่ก็ไม่ไปขาดไปแทนที่มันจะเป็นโดยธรรมชาติธรรมชาติมันจะเจอคนตัวใครตัวมันไงมาอ้าวใครเห็นอันไหนอันไหนเป็นดีอะไรก็ไปจุที่นั้นที่นี่ที่นี่ที่นี้มันไม่เป็นมันมเป็นอย่างนั้นทีเดียวมันก็เกิดรูปนี้ขึ้นมาที่อาตมา ก, ก็คอยอธิบายฟังเนี่ยมันให้เข้าใจอันนี้ว่าอะไรมันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรมันเกิดไม่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวชุมชนก็ควรจะเข้าใจตนนี้นี่ชุมชนชาวชุมชนก็ไม่ค่อยมาฟังไม่ไม่ค่อยไปสังเกตการเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่แต่อัตมา ก, ก็ไม่รู้จะทับไงก็ค่อยขบดไปไปโอกาสที่ควรก็ดวมรวมกันทั้งชาวชุมชนมากมากเลยก็ว่ากันตอนนี้ก็พูดให้ชาวเรานิสิทธิีก่อน ให้รู้ตัวนิสิ์ก่อนจะค่อยๆก็ค่อยๆทำความผสมผรสานให้มันกลมกลืนอะไรมันเกินอะไรมันขาดอะไรเราก็จะได้เติมไปถ้าสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงนี้มันมีและมันก็ต้องเป็นอย่างนี้บ้างเพราะว่าใหม่ๆแรกๆมันก็จะต้องเป็นรูปอย่างนี้แหละมันต้องออกรูปนี้เพราะงั้นแม่แต่ชาวชมชนไม่เข้าใจ ชาวน้อบางทีก็ยังติดแต่ล้วเขาก็ติดมาทั้งนั้นนะ่ะธรรมมาไม่พูดนี่กับการศึกษาข้างนอกเป็นยังงจริงจริงนักเรียนก็คือการเรีย น, น ก, ก, าการศึกษาการศึกษายิครอบครัวไหนที่เขาเองเขาฐานะดีๆบอกดุ้นเรียนเอาหนังสือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวงานการอะไรพ่อแม่พี่น้องใครเขาทำเองหมดไม่ต้องยุ่งเองเรียนให้ที่หนึ่งแล้วกัน เขาก็เอาแต่อย่างนั้นซึ่งมันมันขาดแล้วก็โน้มเอ็นไปความเห็นโน้มเอ็นไปในทางนั้นน่ะทั้งหมดเลยการศึกษาถือเป็นอย่างนั้นเลยนี่คือความล้มเหลวกันอย่างนเรศนเรศดเนรนาฏของการศึกษาเพราะก็เลยเป็นอย่างนี้กันมามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเป็นการศึกษาที่ไปอย่างนั้นชัดละ <c oughs> มันเด็กพอเกิดมาโตเข้าเนี่ยอนุบาลมันไม่รู้สังคมเลยมันก็คือนักเรียนพ อ, อนักเรียนอนุบาลนักเรียนปถมมัธยมมันนักเรียนหมดเลยมันไม่เคยรู้สังคมเลยมันไม่เคยมีชีวิตกับสังคมสมัยก่อนชาวบ้านอย่งต่างจังหวัดเนี่ย บางบ้านบางครอบครัวมีลูกมีเต้าหลายคนฐานะไม่ค่อยดีต้องช่วยกันเลี้ยงพี่ก็เลี้ยงน้องพ่อแม่ก็ทำงานเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวพี่บางคนก็ต้องอุ้มน้องไปโรงเรียนด้วยแบ่งเบาทางบ้านอุ้มน้องไปเรียน หรือเวลาพักเวลาแวบแล้ววิ่งมาบ้านมาช่วยทั้งบ้านมาทำอะไรแต่ต่า ง, าง ๆ, ๆนานาเขาไม่ได้ขาดทางบ้านสรุปง่ายๆแม้แต่ในทางโรงเรียนก็เข้าใจเข้าใจทำงานทางบ้านใครมีธุรกิจทางบ้านใค ร, รเขาไม่มีปัญหาอะไรมากเขาก็ย้อนอ้าวมันไม่ติดมันมาไม่ได้ทางบ้านมันติดนั่นนู่นอันนี้มันติดดำนาติ ด, ด, ตดมัน เกี่ยวข้าวไอ้ น, นี่มันติดทำไอ้นู่น้นี่ให้พ่อให้แม่อย่างโนอย่างงี้เขาไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแต่อันนี้ไม่ได้ทางบ้านทางเมืองทางไอ้กิจการไม่ได้คนละเรื่องกันเลยอย่างนี้เป็นตน้นและทางในชนบทนี่ก็เลยกลายเป็นการเรียนจนกระทั่งมาถึงวันนี้นี่นะมันก็กลายไปว่าการเรียน ต้องไปโรงเรียนประจำไม่ต้องทำงานทางบ้านแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมพวกนี้ไม่ต้องรู้อะไรคือเรียนเรียนให้ได้เป็นเจ้าเป็นานายคนก็นแล้วกันไปโน่นมันก็เลยกลายเป็นล้างชนบทล้างคนส่วนใหญ่ไปเป็นคนในเมืองไปเป็นคนฮอคอยงาช้างมันกลายเป็นงั้นล้างเลยล้างสมองก็ ล, ล้างความรู้สึกนึกคิดไปอย่างนั้นเลย แล้วก็จะมาพัฒนาประเทศกระจายอำนาจอนนนอันนี้เผื่อแพ่เข้าไปถึงทุกคนมันไม่มีใจอยากจะมามาเผื่อแผ่มันจะไม่ได้รู้อะไรกระแสมันกลับไปหมดนะเนี่ยจะมากระจายลักษณะของพฤติกรรมของสังคมพฤติกรรมของสังคมที่ค่อยแปล ร, รูปเปลี่ยนทางมาเรื่อยๆกับจิตปิญญาที่มันเห็นดีเห็นงามแล้วมันก็ เข้าใจเปลี่ยนถูกครอบงมถูกเปลี่ยนแปลกมาจนเป็นอย่างนี้จิตมันก็ถูกแปลทางมาจนเข้ามายึดมาถือมาเห็นว่าแล้วก็นิยมว่าอย่างสังคมอย่างนั้นนะสังคมเจริญสังคมคนมันนอกสังคมที่คนอยู่เงียบๆสนุกเอ้ยไม่ใช่เห็นใจกันเบื่อแปรกันเกื่อกูลกันแย่งชิงกันน้อยไม่เบ่งไม่ขมอะไรกันพวกนี้เนี่ย เป็นลักษณะไม่ใช่ความเจริญเจริญต้องไปแย่งชิงกันใหญ่กันโตยองแย่งชิงกันรวยยองแย่งชิงกันเอาหน้าเอาตาต้องชิงกันสวยกันเก๋กันโก้กันแบ่งต้องคมกันอย่างนั้นนั่นคือสังคมเจริญฟังดีๆตั้งหลักตั้งใจดีๆว่าไอ้ความเจริญอย่างงั้นจะเอากันเลยพวกเรามาเป็นอย่างงี้เป็นรูปธรรม มีทั้งรูปธรรม ท, ที่ดูได้เนื้อตัวแต่งตัวอยู่กินอยู่มีชีวิตอย่างเงี้ยนะแค่มาเห็นพวกเราเนี่ยเอ๊ะพวกนี้มันสังคมนี่มันแปลกมันไม่ใส่เกลือกกันเว้ยแค่นี้ก็เป็นจุดที่จุดสะดุดแล้วมีด้วยเหรอคนในโลกนี่อยู่กันเป็นโ ม, ง, มงกไม็ไม่ใส่เกลือกก็เห็นทีมีไอ้พวกคนป่ามันจเจริญเหะ ควาเจริญทำไมมันไม่มันบอกมันเจริญหรอกมันก็ยืนยันว่ามันจะอยู่เงี้ยอาตมาก็ว่าพระพุทธเจ้านี่ใส่รองเท้าทองคําฉลองประบาททองคําท่านถอดหมดเลยแบฟูดประตวันตัสรูมจนกระทั่งวันปานิพานเจกาพากันมาแบฟูดอย่างนั้นนะแล้วท่านก็ยืนยันว่าอย่างนี้แหะคืออริยะ อริยะก็แปลว่าเจริญนั่นเนี่ยคืออริยะเมื่อกินน้อยกินมื้อเดียวนี่แหละ อ, อย่างพระอรหันต์อริยะขั้นสูงสุดด้วยมาเอาแบบอรหันต์อะไรเงี้ยมาใส่เสื้อผ้าไม่ต้องหมากต้องไมยไม่ต้องฟุ่งเฟือยฟุ่งเฟือยอย่างเงี้ยอริยานี่แหละ อ, อรหันต์เอาแบบพระอรหันต์อริยะแปลว่าเจริญ นี่คนเน้นใหฟังชัดๆเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าศิลปะคืออะไรศิลปะคือมงคลอันอุดมนี่แหละคือสิ่งที่พาไปสู่ประเสริฐอันสูงสุดแล้วเราก็พามาสู่ประเสริฐสูงสมันทวนกระแสจึงเรียกว่าปฏิโซตังมันทวนกระแสกับความรู้ความเห็นความเข้าใจแล้วก็เป็นชีวิตที่มุ่งหมายไปสู่ทิศทางเดียวกันเจริญคืออย่างนั้นแต่ ของเรานี่เห็นชัดเจนว่าเราทวนมาทางนี้ยุคพระพุทธเจ้านั่นนะตั้งสองพันกว่าปีไปแล้วท่านก็ทวนแล้วแล้วยุคนี้มันไปกันใหญ่ขนาดไหนนะออกไปหาโลกีบานทะลกโทษไปขนาดไหนใช่ไหมแรงนะมันทวนขึ้นไปตรง น, น้นโอ้โหมีน้ำหนักมันอัมอนตมาว่น ความรู้สึกของบรนนอกคนชาวชนบทก็ตามเห็นอย่างนูนเราเจริญหมดแล้วไม่มาเห็นดีเห็นงามก็ชาวบ้านหรอกจะอยู่อย่างพวกเราไม่เห็นงานเพราะงั้นพอเห็นพวกเราเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นชาวชนบทก็เห็นตื่นเต้นเขาบอกเขายังดีกว่าเลยพวกนี้แต่มันแยง่งมันย้อนแยง่งมันย้อนแยง่งย้อนแย่งตรงว่าเออใช่ดูบางทีนี่แต่งเนื้อแต่งตัว พวกคุณดีกว่าพวกเราไม่ดีกว่าในรูปแบบนั้น น, นนะแต่มันยอดแย่ า, าเอ๊ะแต่มันไม่ดีกว่าแต่ทำไมมันมีอะไรต่างๆนานาที่มันดูเนื้อเนื้อชั้นกว่าพวกเขาอะ่ะแม้แต่ที่สุดดูอง์รวมแล้วมันมาแกล้งจ น, นพวกเนี้ย ดูองค์รวมแล้วมันมาแกล้งจนอดูที่ฐานพะพุทมันซึ่งเขาไม่ได้เข้าใจในจุดละเอียดรายละเอียดของมันก็ไม่เข้าใจอันั้นเขาก็มองไม่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นรูปประทับบ้างเป็นลักษณะรวมๆที่เป็นรูปลักษ์ที่ อาจมาหยิบมาอธิบายแต่เนื้อแท้ของมันคือจิตปัญญาจิตใจจิตใจมันลดโลภโกรธหลงจิตใจมันไม่เป็นธาตุโลกียะจิตใจมันมาเป็นโลกุตระนี่คือเนื้อแท้ สิ่งนอกนั้นดูขัดดูแย้งถ้าจะบอกเนื้อแท้แล้วมันยิ่งขัดแย้งกันใหญ่เลยกับพนโลกเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้เจตนาเขาไม่ได้มีการศึกษาเขาไม่เอาเลยแม้แต่ชื่อว่าสถาบันาศาสนาที่จะพาให้มาเป็นอย่างเงี้ยสถาบันของพุทธก็มาเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปอย่างนี้แล้วไม่แล้วไม่ได้พามาอย่างงี้แล้ว ส่งเสริมให้ไปนั่นแหละก็จะเจริญแบบองค์รวมอย่างโลกีนั่นแหละไม่เหลือโลกุตระเลยไม่เหลือโลกุตระพูดได้เต็มปากซึ่งเป็นสนาแม่เหล็กแห่งพุทธศาสนาที่กลายเป็นโลกียะ นอกจากโลกิยะแล้วเป็นเดรชานวิชาเป็นอบายยมุกเต็มไปหมดในวงการไม่เข้าใจนะเาไม่เข้าใจว่าไอ้ไ อ, ไอบายยมุกคืออะไรเดรชานวิชานี่อบายยมุกมันเป็นสิ่งงมงายลบมอมเมาอะเดรชานวิชานี่ไซยาสตร์ นาจะหลงขลังขลึงอะไระอะไรต่างๆนา น, นาสารพัดสารเพ น, น, น, นซึ่งเป็นนามธรรมแต่ไม่เข้าใจตัวเองตกเป็นท่าเสียงเรานั่นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นก็นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยในวงการศาสนานก็เป็นอย่างนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะช่วยสังคมประเทศชาติอะไรได้ เพราะอะไรเพราะพุทธก็ไม่มีแบบเทวนิยมก็ไม่มีกลายเป็นเดนชาวิชากลายเป็นเซย์าสากลายเป็นเละเทะอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นนะถ้าจะเป็นเทวนิยมเต็มรูปมีหลักเกณฑ์มีอะไรของเขามันยังทิศมันยังอิสลามมันยังอะไรเออเขาเขาก็ต้องเข้าเข้าแก้วเออเข้าแนวเข้าแนวของทางที่จะไปสู่จุดกุศลจุดดีเป็นเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นทิศเป็นทาง ไอ้นี่มันยำเละเละเ ล, ะ เ, ล, ะ เ, ละเลยมันเลยมีทิเศษสวะนี่อตาตมาพูดไม่ใช่ใส่ความนะไม่ใช่ใส่ใครใส่ความมันนาสงสารอาศาสนาอเอาละวิจารณ์แค่นี้ก็พอแล้วพวกเราไหมือกันไปว่าเขาที่จริงไม่ได้ว่าเขาหรอกอธิบายสัจธรรมสู่พวกเราฟังให้เห็นให้เข้าใจ เสร็จแล้วเรามาขอบกู้นะกอบกู้พุทธธรรมก็มาสู่โลกุตตรธรรมจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่อยู่เนี่ยซึ่งเอาหลักธรรมต่างๆเอาพระวจนะต่างๆพระสูตรต่างๆเอามายืนยันเอามาอธิบายเอามาชี้เอามาแจกแจงลงไปเออพวกเราก็เป็นไปได้ตามนี้ตามนี้ตามนี้ตามนี้ จนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยอัตมาเจาะละเอียดลงไปตะลึกจนกลับคือมันลึกมันซับซ้อนหลายชั้นเนี่ยมันไม่ใช่เข้าใจง่ายแต่ขณะนั้นก็ตามพวกเราก็ยังสามารถที่จะตามเข้าไปรู้อันนี้ได้นั่นแสดงว่ามันเข้าทางมันเข้ากระแสมันไปนพิทิศทางเดียวกันมันสามัญญาตามันสามัญญาตา ทิฏฐิสามัญญาตาศีนสามัญญาตามันไปได้วยกันได้มันก็เลยแม้เรายังปฏิบัติไม่ถึงเราก็เข้าใจได้มันจะสลับกลับไปกลับมาหลายชั้นยังไงเราก็ไม่ไม่งงไม่สับสนดังนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ได้ที่เป็นที่เกิดขึ้นมาที่จะมาเห็นอยู่ เพราะคุณจะเห็นด้วยแค่ไหนไม่รู้นะอาตมาว่าไม่ใช่เรื่องหลงตัวเองอะไรมากมายหรอกมันเป็นจริงมันนขนาดนี้มันเห็นได้แล้วมันรู้รูปลักษ์ได้แล้วเนี่ยดูพฤตธิภาพมีให้เห็นได้เป็นรู ป, ปรธรรมที่สัมผัสได้พอสมควรตั้งที่ขึ้นต้นว่าคนทีเข้ามาสัมผัสพวกกระโศกเออมันแปลกมัน ไม่เหมือนโลกเหมือนอีกโลกโลกหนึ่งเขาจะใช้คํำนี่นะเออเข้ามาอยู่นี่เออเหมือนก็เข้ามาอยู่อีกโลกอีกโลกหนึ่งเว้ยไม่เหมือนโลกที่เขาอยู่ขนาดเด็กพวกเราเรียนจบออกไปมันยังไม่อยู่มันยังไปอยู่ถึงนอกข้างนอกโลกนี้มันอยู่มันก็เคยอยู่แต่มันก็ไม่อยู่อ <c oughs> <c oughs> นี่ก็กระจายอะไรให้ฟังให้รู้ว่ า, าชีวิตพวกเราพุทธชีวะมันมีศิลปะที่กำลังเรากาลังพยายามที่จะสร้างศิลปะนี่มีทั้งสูตรมีทั้งศาสตร์มีทั้งศาสตร์มีทั้งศิลป์ต่างๆมีทั้งสิ่งที่เป็นองค์ประกอบอัตมาก็บอกไม่ความแปลว่าศิลปะที่จะเอาภาษาอะไรมาอธิบายก็ยา ก, ยาก เข้าไปเข้าใจไปเรื่องถึงแปลกใหม่ศิละปะเนี่ยไอสิ่งที่หนึ่งสร้างขึ้นมาด้วยฝีมืออันนั้นมันไม่ใช่สินอยู่แล้วมันเรื่องของช่างมันเรื่องของช่างซึ่งพวกศิลปินพวกเรียนศิละปะเขาก็เหมือนกันเขาก็ดูถูกนะช่างช่างช่างฝีมือกับศิลปินผู้สร้างศิละปะเนี่ยคนละคนนะ พวกช่างศิลปินศิลปะนี่เขาดูถูกพวกช่างฝีมือนะเช่นวาดภาพปู่วาภาพ ท, ทิวทัศมีแต่ทิวทัศไสวยเหมือนทิวทัศเฉยๆนี่นะเาบอกไม่ใช่ศิลปะหรอกมันเป็นช่างฝีมือช่างฝีมือนะเขาเขาแบ่งอย่างนั้นเลยนะ อาจมาอยู่ในวงการศิลปะนิรูเขาเข้าใจอย่างงั้นแบ่งอย่างงั้นความจริงแล้วศิลปะนั่นน่ะมันหมายความว่าหนึ่งสุนทรียศินเนี่ยเขาเน้นตรงนี้สุนทรียสคือมีความแปลกความใหม่จะเอาด้านสวยด้านงามด้านแปลกแปลกด้านรู้สึกว่าเออชวนดูแต่ เออชวนใจอย่างนั้นอย่างนี้จงกระทั่งกลายเป็นแอบ stract ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีไม่มีแบบไม่มีแผนอะไรต่างๆนานาเขาก็ว่าไปเละคิดไปให้มันแปลกให้มันต่างให้มันชวนก็คือสร้างสุนทรียสินให้ชวนชวนดูเท่านั้นหนักเข้าศิลปะไม่มีเนื้อหาไม่รู้ว่าศิลปะคืออะไรเสร็จแล้วเขาก็เป็นหลงฝีมืออีกแหละ ก็เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาลงฝีมือฝีมืออะไรฝีมือที่คุณคิดอ่านทางเทคนิคมาสร้างงานของคุณนะจนเป็นเอกลักษณ์ของคนศิลปินต้องเปเอกลักษณ์แล้วก็สร้างไปอาจจะมีแนวของตัวเองบ้างคนนี้มีแนวแนวทาแต่ภาพทางด้านาศาสนาเออนี่ถือว่าเป็นโอ้โหศิละปะชั้นสูงเลยนะในทั้งศาสนามีธรรมะอันนี้ก็เป็นสาระไปในทางที่เรียกว่าอะไร ของเขาไปในทางที่เพลเจอร์อะไรอะไรเยอะเลยทางเพลเจอร์ต้องไปเรียกกันว่าแอ s สแต็กหรือไปเรียกว่านามธรรมาไปเรียกว่าเป็นศิลปะที่ใช้ปัญญาความคิดจินตนาการเสร็จ แ, แล้วไม่มีที่หมายหรอกถ้าภาพของใครใครดูแล้วเกิดจินตนาการไปได้หลากหลายอันนี้และเยี่ยมก็เลยยิ่งบ้าใหญ่เลยเป็นศิลปะฟุ้งซ้าน ใครจะคิดไปยังไงก็ได้แตกกระจายไปร้อยอย่างก็เลยกลายเป็นศิละปะฟุ้งซ่านทําให้คนคิดบ้าคิดบอแตกไปคนละอย่างเคิดไอทีมัน ไ, ไม่เป็นเรื่องไอทีมันไม่เข้าทางอะไรก็เป็นอะไร ก, กไ็เกิดความคิดหลากหลายไปนู่นซึ่งอาตมาเองอาตมารูพวกศิลปินเนี่ยมันอัตตาสูงไม่เลยอย่าไปวิจงวิจารในเราใช้งานศิละปะที่เราเข้าใจวาศิละปะคืออะไรแล้วก็มาใช้งาน ามาอาตมาเขายืนยันว่าเราอาตมาใช้ศิลปะศิลปะมีหลักนะหลักในการประกอบศิลป์การทำงานสร้างศิลปะเนี่ยมีหลักเรียนมาก็มีหลักทุกคนก็เรียนมามีหลักทั้งนั้นหนละหลักว่าจะต้องมีจุดสำคัญต้องมีเป้าหมายเรียก interest point มีทั้งนั้นเรียนมาทั้งนั้นเป็นหลักเดียวกันหมดนะ แต่เวลาทํามันไม่รู้จุดหมา ย, ยตัวเองยังไม่รู้เลยาเขียนภาพนี้ออกมาสร้างปั่นรูปนี้ออกมาจุดหมายอะไรวะเนื้อแท้ให้เขาสื่อให้เขาสัมผัสแล้วมันจะเกิดเนื้อแท้ต้องการให้มันเกิดผลเปังประโยชน์ชนบันดาลใจให้พัฒนาการขึ้นมาทางจิตใจถ้ามันเกิดบันดาลใจทางจิตใจนั่นแหละเป็นงานศิลปะเพราะงานศิลปะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ที่จะเอามาทํางานแทนได้เลยมันไม่ใช่ สร้างหุ่นยนต์มาให้มาทำงานรับใช้แทนคนมันไม่ใช่ศิลปะศิลปะคือบรรดานใจใครสัมผัสและเป็นงานที่ทำให้เกิดจิตใจเปลี่ยนแปลงถ้าศิลปะที่เป็นโลกุตระคือเปลี่ยนแปลงมาทางละกิเลสเลยเห็นว่าทางมากน้อยสันโดดเป็นต้นเห็นไปทางที่จะมาเป็นอย่างที่ทวนกระแสสังคมโลกรีเนี่ยนั่นศิลปะโลกุตระ เกิจิตเปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆเลยเห็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาเราไม่ต้องพูดถึงโลกุตรรก็ตามแง่แต่แค่บรรดาใจให้เกิดพัฒนาการละความเห็นแก่ตัวเกื้อกูลช่วยสังคมเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจอะไรพวกนี้ก็ได้มีความเห็นพื้นๆอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่มีความ มีแต่ว่าโอ้โหโอันนี้ดูแปลกดีสวยดีอันนี้เด่นดีแตกต่างแปแปลกใหม่ดีไม่เหมือนใครโอ้โหได้อะไรใหม่ๆโอ้โหได้ดูอะไรใหม่ใม่เห็นอะไรใหม่มโอ้โหยอดความคิดเลยอะไรแตเท่านั้นเองเพราะคำว่าศิลปะทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องทำลายความคิดนึกทำลาย แทนที่จะเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่จุดสำคัญของจิตวิญญาณกลายเป็นทําลายจิตวิญญาณสเปะสปะเลเะทอะอะไรไปหมดเลยไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณอะไรได้จะเลยกลายเป็นการค้าขายงานประมูลกันเอาเด่นเอาดังต้องเป็นคนที่คนนิยมชมชอบชมชื่นยอมรับนับถือเป็นยอดศิลปินอะไรไป กายเป็นอย่างนั้นไปเลยแต่เรื่องให้คนนิยมชมชอบศิลปะจริงๆแล้วศิลปะสูงๆโลกุตระคนเข้าถึงยากเขาก็พราะเข้าใจนะซับซ้อนเขาเอาศิลปะชั้นสูงนี่มันเป็นนามธรรมามันเป็นสิ่งลึกซึ้งแอบสแตรกมันเป็นนามธรรมาเป็นเรื่องลึกซึ้งคนเข้าใจไม่ได้หรอกมันสูงถูกถูกถู ก, ถ ก, ถกต้อง แต่เขาเพี้ยนเพี้ยนนามมาทําที่คนไม่รู้เรื่องแล้วเขาเองเขาทู่ทำก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่ที่ไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นธรรมะขั้นปรมัตารย์เป็นธรรมะขั้นอภิธรรมปรมัาขั้นสูงที่จะพาไปล้างกิเลสล้างความแห่งแก่ตัวและมันก็มีเนื้อแท้ที่เป็นมรรคเป็นผลให้คนล้างศิลปะใครสัมผัสใครเรียนรู้ใครได้ผลได้ความบันดาลใจแล้ว ทำให้เขามีหลักในการเป็นล้างกิเลส ข, ของเขานั่นคือศิลปะเป็นโลกุทระถ้าอรตมาว่าอรตมาทําสําเร็จอย่างพวกคุณเนี่ยคุณก็เข้าใจแล้วเอาไปล้างกิเลสแล้วก็เข้ามาเป็นอย่างนี้นี่ผลสําเร็จมาอย่างเงี้ยนี่เป็นว่าสําเร็จทางงานงานศิลปะอรรมาก็ยืนยันว่าธรรมาเป็นศิลปินอรตมาทํางานศิลปะอรตมาไม่ได้ทำงานอื่นอรตมาทํางานศิลปะ นี่นหลคือพุทธชีวศิลป์ที่แท้จริงเป็นการเปลี่ยนชีวิตด้วยหลักของพุทธเป็นศิลปะพุทธชีวศิลป์เราก็กำลังจะทำให้มันยิ่งขึ้นให้มันเป็นงานหรือให้เป็นผล เป็นความรู้เป็นสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงในตัวเราทั้งกายทั้งใจครบเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะได้สืบสารเผยแพร่นำพาไปสร้างคนต่อคนอื่นๆต่อไปอีกงานด้านโลกุตระเนี่ยออาริยะนี่ยเป็นงานที่ ไม่ใช่งานไม่ใช่งานเท่านั้นมันเป็นเนื้อหาเนื้อแท้สารัตถะสารัตถะของพุทธของาศาสนาหรือของธรรมะธรรมะที่เรียกว่าพุทธเนี่ยมันเป็นโล ก, กุตระที่คิดเอาเองไม่ได้ใครจะมาเป็นศิลปินเอกมีเอกลอักษณ์ของตัวเองมีทฤษฎีของตัวเองไม่ได้ ต้องของพระพุทธเจ้าองค์กรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ น, น, น, น, นมาๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ พอกลับคืนมาแล้วมันไม่ใช่ของโลกรีมันไม่ใช่ของโล ก, ก, โ, ลกโลกที่จะไปเสื้อตํารางขยะไปเสื้อตามอะไรโลกก็มาขายเยอะแยะเข้ามาเผยแพร่ไม่มีเผยแพร่ต้องคนมาจากเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะงั้นพวกคุณมาฟังมาศึกษามาคุณก็ได้ใหม่ไปเรื่อยๆใหม่ไปเรื่อยๆใหม่ไปเรื่อยใหม่จากธรรมมาพระพุทธเจา้าไม่ใช่ไปใหม่จากอะไรนี่ได้ฟังสิ่งใหม่ได้รับสิ่งใหม่นี่แหละสิ่งแปลกหรือสิ่งใหม่ แต่เป็นของเดิมของพระพุทธเจ้าที่อาตมาเขเคยดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมายังไม่ได้มากเท่าไรเลยยังไม่หมดหรอกแต่ก็มากพอสมควรก็ดึงมาอยู่ทุกวันนี่แหละเอามาให้และก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของใหม่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ เข้าสู่พระติปิฎกเล่ม16ต่อหน้าิปัดสีสูตรต่อจากปฏิปทาสูตรถึงท่านก็บอกแล้วว่าสรุปผลมิฉาทิฏฐิกับสมาทิฏฐิเท่านั้นถ้าสมาทิฏฐิก็มีสมาปฏิบัติถ้ามิฉาทิฏฐิก็มีมิฉาปฏิบัติเพราะงั้นถ้ามิฉาปฏิบัติ อวิชชาก็เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นสังขารก็เป็นปัจจัยแก่กัรละกันไปเป็นวิญญาณเป็นนามรูปเป็นอายตนะเป็นอะไรไปตลอดสายเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นประธานแล้วแต่ถ้าสมาธิเป็นประธานสมาธิก็จะพาให้ดับและสํารอกโดยไม่เหลือพาให้ดับและสํารอกโดยไม่เหลือซึ่ง สังขารวิญญาณนามรูปไปจนหมดสาอีกเหมือนกันเท่านั้นเองนี่คือปฏิปทาสูตรสรุปอีกทีหนึ่งทีนี้วิปัสสีสูตรนะข้อ22เริ่มต้นพระตบีกเริ่ม16เนี่ยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาตมินทะเศษฐีเขตพระนครสาวัตถี นะท่านก็นละไว้มันก็มียาวตรงเราท่านจะตั้งตนแบบนั้นทุกทีแหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระภิกษุูทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าท่านตรัดถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทรงพระนามว่าวิปัสสีก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ยังมิได้จัดรู้ได้ปริวิตกว่าโลกนี้ถึงควา ม, ย า, วามยากโลกนี้ถึงความยากแล้วหนอศาสนพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่กิเลสยังไม่หนาขนาดนี้โลกนี้ถึงความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติ และเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็ยังไม่รู้ทรรมอันจะออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไร่เล่าความออกจากทุกข์คือชราและมรณะจักปรากฏนั่นเป็นปริวิตกของพระพุทธเจ้าวิปัตสีขอยืบสาบอกดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวีปัตสีโพธิสัตว์ นี่ก็อธิบายมาแล้วว่าตอนนั้นท่านยังไม่ไดตัดสู่ท่านเป็นริวิตกอยู่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีปริวิตรกดังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่โหติพระบาลีท่านใช้คํานี้ว่าโหติเมื่ออะไรมีอยู่รร ช, าออ ร, ชาราและมรณะจึงมีชารามรณะย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ดูกระพิกษูตั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิประสีโพธิสัตว์เพราะตอนนี้เป็นคำตอบเลยนะครั้งนั้นแลพระวิประสีโพธิสัตว์เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายนี่ท่านแปลเป็นภาษาไทยมาเป็นสำนวนตายตัวรู้กันทั่วไปสำนวนนี้ก็กระจายทั่วไปกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย อาตมาไม่ค่อยจะถนัดไม่ค่อยถนัดคานี้มันไม่ถึงอาตมาว่าควรจะแปลว่ากระทำใจในใจโดยแยบขายไม่ใช่กระทำไว้ ai ai ai ในใจเฉยๆอาตมาอยากจะให้ใช่กับว่ากระทำใจในใจโดยแยบขายไม่ใช่ ai ai ai ทำไว้ในใจทำไว้ในใจเหมือนคือคือคลางคามันเหมือนอะไรมันไม่มีการเริ่มต้นไม่มีการ มีผลแล้วก็มีความเพมสุขสุขผแต่แในตัวมันไว้อยู่เงียทําไว้แค่นั้นน่ะค้างๆไว้ตรงเนี้ยทาใจในใจเลยมันทําใจของตนเองเลยปฏิบัติกระจของตัเองเลยนะซึ่งแปลมาจากบาลีตัวเดียวกันละมณสิการการทําใจในใจการทําไวในใจโดยแยกขายก็โยนิโสโดยแยบขายก็โยนิโสจึงได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าน ยังได้รู้ได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ท่านก็เอาตัวชาติที่เราอธิบายตั้งแต่แจกวิพังไปแล้วถ้าเริ่มต้นธรรมชาติแล้วก็ไหลย้อนมาเป็นภพนะเป็นอุปาทานเป็นตัณหาเป็นผัสสะเป็นเวทนาไล่ไม่เวทนากรผัสสะแล้วก็ไหลมาจนกระทั่งถึงสังขารนะท่านก็จับรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ ชรามารณะจึงมีชรามและมารณะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยแล้วก็ไล่ไปอีกย้อนย้อนตามระดับไปอย่างนี้แหละเมื่ออะไรมีอยู่ชาติจึงมีเมื่อชาติย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็ไล่ไปอีกเมื่อพบยังมีชาติจึงมีเมื่อเพราะพบมีปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยก็จึงมีอุปาทานาพบจึงมี ย่อมมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยเมื nah, ่ออะไรหนอมีไปเอาอุปทานจึงอุปทานย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อตัณหามาอุปทานก็ตัณหาไล่กันไปเรื่อยเเมื่อตัณหามีอยู่อุปทานจึงมีอุปทานย่อมมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่ตัณหาจึงมีตัณหาย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเมื่อเวทนามีอยู่ก็ไล่ไปเรื่อย ตัณหาเวทนาพอจากตัณหาพอจากเวทนาแล้วก็ไล่จากเวทนาไปก็มีผัสสะผัสสะไปก็มีอายตนะอายตนะมีก็มีนามรูปนามรูปมีแล้วก็มีวิญญาณวิญญาณมีแล้วก็มีสังขารเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย สรุปแล้วเมื่อมีเ ม, ม, มื่อมีนามรูปแล้วแล้วก็มามีวิญญาณนามรูปย่อมมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญวิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยก็คือเมื่อสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณ วิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีนะสังขารมีท่านตลบทีหลังเมื่อวิญญาณมีวิญญาณมีเพราะสังเพราะเป็นวิญญาณมีเพราะมันนำรูปเพราะอะไรล่ไปทีนี้เมื่อวิญญาณมีอยู่นะเมื่อพอไปเมื่อเสียงสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยกลับไปอีกทีหนึ่ง นะเพราะวิญญาณมีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจบและเมื่อเมื่อสังขารมีวิญญาณจึงมีเป็นตัวตั้งต้นของสังขารมีวิญญาณจึงมีวิญญาณย่อมมีซึ่งพอเพราะเมื่อมีสังขารวิญญาณจึงมีวิญญาณมีเพราะสังขารเป็นปัจจัย ดูกระพิสูจ์ทั้งหลายครั้งนั้นแล้สังขารย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูกระิสูจ์ทั้งหลายครั้งนั้นแล้พระวิปษษัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายอยู่ในสายปฏิสมุบาเน่ไม่มีนะไม่มีคําว่ากระดับกระทําในใจโดยแยบคายนะี่ใช่ไหมในปฏิสมุบาไม่มีคําว่ายโยนิโสมนัิการไม่มีคํานี้ แต่ไล่ไปหมดทั้งสายเนี่ยรวมแล้วทั้งหมดนี่คือโยนิโสมนสิกานี่สรุปออกมาให้ฟังได้อย่างนี้เพราะกระทาไว้ในใจจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่า๋อเมื่อวิชามีอยู่สังขารจึงมีสังขารย่อมมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย เพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณมีจึงมีนามรูปมีลายไล่ไปจนกระทั่งดังพนามมาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประกา ร, ระอย่างนี้ดูกระปริศฐทั้งหลายจักษุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่พระวิปสีโพธิสัต ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าฝ่ายข้างเกิดฝ่ายข้างเกิดดังนี้เพราะฉะนั้นนี่คือมันมีมันมีนี่เป็นฝ่ายข้างเกิดนี่คือฝ่ายข้างเกิดมันมีมีมีอ๋อตั้งแต่ทุตทาสรุปเลยเพราะไม่มีอวิชชาจึงมีหมดทั้งสายเลยท่านเริ่อมตนแต่ชาิย้อนไปถึงไล่ขึ้นมามาจนถึงย้อนมาถึงสังขารนั่อวิชชา ลายแต่ชาติมามาถึงอวิชชาอ๋อเพราะอวิชชามีถึงมีตั้งสายไปจนกระทั่งถึงชาติแล้วก็ชะลามารณะโสกขาปริเทวทุขะโอบโทมนัตอุปยาธนะทีนี้อันสองนี่ก็โดยปริยายก็คงเข้าใจละดูกระพิะสุด ต, ตั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีได้มีความปริวิตตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีเมื่อกี้นี่สายมีนะ จนกระทั่งสุดท้ายมันก็คือมันมีอวิชานี่เองเป็นปัจจัยตัวสำคัญตัวหลักทีนี้เมื่ออะไรไม่มีชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาราและมรณะจึงดับดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายอีกแหละมันมีก็เพราะทำใจโดยแยบคายจึงรู้ มันมีเพราะดับจึงดับมีกระทำไว้แยบคายจึงดับเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าชาติไม่มีนี่หมายความว่าดับได้เลยเพราะได้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายกระทำใจในใจในอัตมาอย่างนีแปลว่ากระทำใจในใจโดยแยบคายได้โดยถ่องแท้แยบคายหรือ ลงไปถึงที่เกิดทําไปจนต้องไปถึงที่เกิดแล้วก็ทําให้ตายได้มันก็เกิดใหม่มันถึงที่เกิดเมื่อทำให้จิตเกิดเป็น อ, อริยะเกิดเป็นโลกุตระเมื่อทําให้ตายได้มันก็เกิดนะทําให้ชาติไม่มีนี่แหละตายชาราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชารามรณะจึงดับและก็ไล่ไปเหมือนอย่างที่เมื่อกี้นี่เป็นสายทวนขึ้นมา เมื่ออะไรหนาไม่มีชาติจึงไม่มีอะไรดับชาติจึงดับเมื่อไม่มีภพชาติจึงไม่มีเพราะภพดับชาติจึงดับเมื่ออะไรหนาไม่มีภพจึงไม่มีไหลขึ้นมาเรื่อยก็เพราะอะไรดับภพจึงดับก็เมื่ออุปทานไม่มีภพจึงดับอะไรมไปอุปทานก็ดับไปตัณหาดับไปเวทนาดับไปผัสสะดับไปอายตนะดับไปนารูปดับไปวิญญาณดับไปสังขารดับไป อวิชาดับไปไอด้ดับๆับนี่สับวันนิโรธนะซึ่งอาตมาได้อธิบายไปแล้วว่าไอ้ดับอบวิชาเนี่ยมันแทนที่มันจะไม่มีรู้อะไรเลยนิโรธมันคือดับปีดดำมืดไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่ท่านบอกแล้วว่ามันมีจักสุมียานมีปัญญามีจิตชามีแสงสว่าง แม่รู้ว่าอะไรมีมันก็แสงสว่างรู้อะไรไม่มีมันก็แสงสว่างมันก็จักจักส่ยานปัญญาวิชาแสงสว่างเหมือนกันไม่มีเนี่ยก็คือดับไม่มีก็คือนิโรธทีจริงภาษาบาลีคนละคำไม่มีเนี่คือณโหติส่วนนิโรธนี่คือดับ แต่จริงๆมันก็เป็นวัยพธกันใช้แทนกันได้ว่ามันไม่มีแล้วอวิชชาไม่มีแล้วอวิชชาดับแล้วอวิชชาไม่มีอวิชชาดับไม่ได้หมายคำว่าจิตมืดจิต ด, ดําจิต ด, ดับไปเลยไม่ใช่กลับเป็นวิชากลับเป็นจักษุญานปัญญาวิชาแสงสว่างไอ้ดับนี่คือความไม่รู้ คืออวิชชานนี่แหละเป็นประเด็นที่มันพาซื่อโดยบัญญัติฟังภาษาระดับก็เลยตื้นตื้นดับเออดับนี่โรดนี่โลดดับดเออก็ดับดับเป็นไงดับก็นั่งดับปีไปนี่แหละทำนีโลดทำนีโรดแล้วเดีจะเป็นพระอรหันต์ดับไปเถอดดับให้เก่งขนาดไหนก็แล้วแต่มทางเป็นอรหันต์อรหันต์อะไรหรอกงนั้นนี่ ว่าในสายดับนี่ก็ตามก็ไล่มาอแตมาขอสรุปมาเลยอ่านมาเลยเพราะเมื่อสัจจตนะไม่มีภาษาจึงไม่มีเพราะสระนีสัจจะนัดับภาษาจึงดับเมื่อไรน้องไม่มีสัจจะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสัจจะนัจึงดับเมื่อนามรูปไม่มีสัจจะนัจึงไม่มีเพราะนามรูปดับสัจจะนัจึงดับเมื่ออะไรน้องไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเมื่อวิญญาณไม่มีไล่กันไปจากนามรูปวิญญาณ นะไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรเนอะดับนามรูปจึงดับก็เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับไหลไปเรื่อยเพราะอะไรเนอะไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเมื่อสังขารไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับดูพระพิสุทธั้งหลายครั้งนั้นแลพร่ะวิปัสสีโพธิสัตว์ได้มีพระปริวิตตกดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มี สังขารจึงไม่มีเพราะอะไรดับสังขารจึงดับดูกระุทธิ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะการเพราะกระทำไว้ในใจโดยแยบคายจึงได้รู้ได้ปัญญาว่าเมื่ออวิชชาไม่มีสังขารจึงไม่มีเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาจึงดับายไปจุดจๆจุดทกะละไปทันไมพิมทันกน ไม่อยากพิมพ์เหมือนกันเพราะมันซ้าจาวพระติมิโรจะซ้ำอย่างนี้ทุกคำทุกความดังพันนามาชนี้ความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระัพิสุทธิ์ทั้งหลายจักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้บังเกิดขึ้นแก่พระวีปสีโพธิสัตว์ในธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนฝ่ายข้างดับนี่ฝ่ายข้างดับดังนี้ เมื่อกี้นี่ฝ่ายข้างเกิดตอนหลังนี่ทวนนี่ก็เป็นฝ่ายข้างดับนีน่คือวิปฏิสีตรสรุปแลกก็คือปฏิสมุบาทนั่นแหละฝ่ายฝ่ายอนุโลมก็ฝ่ายปฏิโลมทวนกระแสมาก็ดับปฏิโลมไปอนุโลมไปไม่ใชปฏิโลมอนุโลมไปตามกระแส ก็เกิดมีทวงกระแสมาได้ก็ดับปฏิโลมาได้ก็ดับและทั้งหลายทั้งแหลนั่นคือโยนิโสมนสิการคือทําใจในใจให้เกิดความรู้ทั้งเกิดทั้งดับเพราะฉันที่พูดกันว่าเห็นความเกิดเห็นความดับนี่นี่เห็นความเกิดความดับเห็นทั้งหมดนี่เห็นอะไรเกิด เห็นอวิชาเกิดเห็นสังขารเกิดเห็นวิญญาณเกิดเห็นนามรูปเกิดเห็นอายตนาเกิดเห็นผัสสะเกิดเห็นเวทนาเกิดเห็นตนาเกิดอุปทานเกิดพบเกิดชาติเกิดโสกรปริเทว่าอุปัฏญาติเกิดทางนั้นนิสัยเกิดสายดับเออถ้าทำใจในใจได้ดีทำใจในใจเป็นอย่างที่อาตมาพูดซ้ํซากจึงเกิดดับมาตั้งแต่ชาติ ท่ทวนมาทั้งแต่ชาติต้นๆเซตมากรอธิบายแล้วว่าไอชาติมันจะดับยังไงอธิบายมาตั้งวิพังกรสูดแล้วมันไปดับที่ตรงตันหาเมื่อดับตันหาและชาติมันก็ไม่เกิดเพราะตันหาดับเออไม่ใช่เออใช่เพื่อดับตันหาดับอุปทานดับภพดับชาติดับไม่ใช่ไปจับตัวชาติมันดับจับเหตุ เหตุคือตัวเหตุก็คือตัณหามันผ่าเกิดดับตัณหาอุปทานดับภพดับชาติดับสายนั้นทั้งหมดเลยอุปยาศาสะดับมดก็อธิบายอนุโลมปฏิโลมกันไม่รู้กี่เที่ยวแล้วทูลกันมาจนกระทั่งแม้ได้อธิบายรายละเอียดไปอีกว่าไอ้ดับเนี่ยมันไม่ใช่ดับทั้งยวงไม่ใช่ดับพอบอกว่าตัณหาดับเวทนาดับดับปีไปเลยเวทนาก็าไม่มีภรรษาก็ไม่มีเลยอะไรไม่ใช่ ก็พูดไปหมดแล้วยังไม่ยังไม่ท้ า, าความยังไม่ย้อนยังไม่อธิบายต่ออ่เอามาต่อสูตรต่ออีกเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะคลา้คลายกันต่อมาสิกขีสูตรไปถึงกัจสปะสูตรไล่ไปเลยท่านจะไล่ซึ่งท่านย่ อ, อไว้เลยว่าสิกขีสูตรไปถึงกัจสปะสูตรเนี่ยมันอันเดียวกันมันซ้ำกันคือสรุปแล้วก็คือแบบนี้แหละปฏิสุบบาทและก็เน้นตรง ทำไว้ในใจหรือโยนิสโสมนสิกการเหมือนกั น, นอัตมาเอาอ่านให้ฟังนิดหน่อยก็ได้นในสิกีสูตรเนี้ยสั้นนิดเดียวท่านว่างนี้นท่านยอ่อในข้อยี่พาทนโยพระปริวิตกของพระพุทธเจ้าแม้ทั้งเจพระองค์เมาเลยท่านงเบาตั้งแต่พระสิกีไปถึงพระกัสสปะนี่อะไรบ้างอัตมาก็ไม่เคยได้ไหลจำพระกัสสปะชื่ออะไรบ้างทั้ง6ทั้งเจ็องค์เนี้ยน ท่านปิบติตกทั้งพระพุทธเจ้าแม้ทั้ง7พระองค์ก็พึงให้พิสดารเหมือนอย่างนี้คือให้มันรึกซึ้งอย่างนี้แหละดูกรรมสุทธ์ทั้งหลายพระผู้มีพรภาคอราหันตสมาสพุทธเจ้ า, าทรงพระนามว่าสิกขีก็ดีนี่ไงนี่ไงชื่อพระพุทธเจ้าสองพระนามว่าเวสภูก็ดีทรงพระนามว่ากากุสันทะก็ดีทรงพระนามว่ากโกนาคมนาก็ดี ทรงพระนามว่ากัดสปะกดีนี่รวมแล้วนะทั้งเจ็ดพระองค์หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือพระบิปัสสีที่ว่าไปแล้วนะแล้วก็มีพระมหาศักกยมุนีโคตมะก็คือพระพุทธิจ้าองค์นี้องค์ที่กำลังพูดกันอยู่นี่เป็นองค์ล่าสุดและท่านก็มา ว่ากันถึงองค์ล่าสุดนี้อีกองค์หนึ่งซึ่งก็เหมือนกันอีกแหละเหมือนกับพระวิปัสสีเ ม, เมื่อกี้นี้นลองอ่านดูก็ได้ดูกระเพาะพิสุทธิ์ทั้งหลายเมื่อเรายังเป็นภาวุธพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ยังมีได้ตรัสรู้ได้มีปริวิตกได้มีความปริวิตกดังนี้ว่าโลกนี้มีความยากแล้วหนอย่อมเกิดแก่เจ็บจึงก่อเกิดแก่ตายไม่มีเจ็บย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติ และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่รู้ทำอันออกจากทุกข์ในขณะเป็นโพธิสัตว์ที่อาตมาก็เล่าไปหมดแล้วจะกว่าจะรู้ก็วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกยังไม่รู้วันสิบห้าค่ำเดือนหกก็ไม่รู้ล่นะนะเห็นอยู่นั่นแหละมันโอ้โหอะไรเนมันทําไมมันยากจังเลยไอ้เกิดแก่ตายจุติอุบัตินี่เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย ทำไมยังไม่รู้ทํามันจะออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้เมื่อไรเล่าความออกจากทุกข์คือชราธรรมนั้นี้จกปรากฏดูกระเพิสุ์ทั้งหลายเรานั้นได้ความปริวิตตกเหมือนกันทุกเดียวกันกระเพือสีสุดอังนี้ว่าเมื่ออะไรมีอยู่ชราธรรมนจึงมีชรามรณะนัย่อมมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูกระณพิสุ์ทั้งหลายเรานั้นเพราะกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเหมือนกันอีก จึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชราธรรมณ่าจึงมีชรารรมร่ะย่อมมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจุดๆ ๆ, ๆๆๆไล่ไปเหมือนกันทั้งหมดแม้สายเกิดนี่ไฟฝ่ายข้างเกิดและสายดับก็มีฝ่ายข้างดับแล้วก็จบเหมือนกับที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ สรุปแล้วก็คืออย่างที่อาตมาพูดแต่ต้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ตรัสรู้อย่างเดียวกันมีเรื่องเดียวกันใครจะเกิดเป็นพระุทธเจ้าอีกก็ทั้งนั้นแม้พระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์หรือโพธิสัตว์ไม่พระโพธิสัตตก็จะต้องรู้อันนี้ตรัสรู้อันนี้ทั้งนั้นแต่มีความละเอียดหรือซึ้งขึ้นอย่างพระโพธิสัตว์แต่ละปางแต่ละปางแต่ละปางบำเพ็ญไปเจอะจะ เป็นอรหันต์ก็รู้อันนี้เหมือนกันอรหันต์องค์ธรรมดาเลยนะใครจะตัดสิน่พวกคุณนี่ตัดสรู้เป็นอรหันตัดสรูนรนรร้นี่ไม่ใช่คำที่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าตัดสรูร้นี่ใช่กับคำคนทั่วไปเมื่อคุณมีภูมิตัดสรู้คืออะไรคือเมื่อคุณมีความรู้ที่ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสนี่คือคาย่อ ตัสรู้นี่คือคำยอ่อขยายความก็คือคุณเกิดความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้เป๊ะเลยโดยเฉพาะรู้ไปถึงขั้นนิพพานรู้ทางปฏิบัติแล้วก็รู้การปฏิบัติไปจกนกระั้งถึงปฏิบัติจบเป็นนิพพานเหมือนกันของพระพุทธเจ้านี่แหละคุณก็มีความรู้นั้นตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความรู้ขั้นโพธิ ขั้นโพธิโพธิเป็นระความตรัสรู้คือความรู้ไม่ใช่ความรู้โลกธรรมดาโพธิคือความรู้ที่ได้รู้ความตรัสรู้ของพระเจ้าหรือความรู้ที่มันพาให้ออกจากกิเลสความรู้ที่บรรลุสูงสุดนิพพานนี่แหละคือความรู้ตรัสรู้คนไหนมีความรู้นี้ก็ตรัสรู้ทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราเป็นสาวกภูมิแต่พระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ ท่านเป็นเจ้าของท่านก็รู้แล้วเอามาตรัสแต่คนเรานี่รู้ตามที่ท่านตรัสก็คือตรัสรู้เหมือนกันแต่รู้อันหนึ่งเป็นเจ้าของคือท่านเป็นสยามภูเป็นสามเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของธรรมท่านเป็นธรรมสามีเป็นเจ้าของธรรมะอ่าเป็นสยามภูเป็นคนท่านเองเป็นของตนเองเป็นเองได้เอง แต่เราเป็นสาวกภูมิเราได้จากของท่านที่เอามาตรัสสอ น, นก็เรียกว่าตรัสรู้มีความรู้อันนี้นะเพราะงั้นท่านที่เอาอันนี้มาบันทึกไว้ก็เพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีอีกมากกว่านี้ก็ตามก็เรียนรู้อันนี้ตัวสําคัญนี่คือปฏิสมุบานนี่แหละ เนื้อแท้ระปฏิสุบาทนี่แหละคือเรียนรู้ให้รู้เอาวิชาให้ได้แล้วก็ดับมันให้ได้ว่าเหตุทำไมมันเกิดอวิชาจากนั้นสูตรจัตทนีจะไดอ้อธิบายกันอย่างสนุกจะใช้เวลาอธิบายไปอีกไม่ใช่น้อยอาตมาอาจจะลดเลยนะเนี่ยแต่ว่า ยังไม่รอดคงจะไล่ไปดีกว่าไล่ไปจนกระทั่งถึงว่าจะไ ล, ล่เรื่องอาหารอ้ น, นี้ขึ้นอาหารสูตรในอาหารวัคเป็นอาหารแก่กันและกันอาตมาว่าจะไปพูดถึงปิตบ อ, อะไร ปุตตะมังสะสูตรซึ่งเป็นอาหารสี่ซึ่งอยู่อีกไกลน่ะพิประสูติหลอกคออะไรไม่รู้อันนั้นมันยิ่งไกล ย, ยังไม่รายละเอียดหน้าเมาเมาเลยถ้าคนที่ไม่รู้อัตมาก็เคยนำมาอธิบายสู่พวกเราฟังหลายทีแล้วแต่พวกเราก็ได้ฟังแล้วก็ค่อยเข้าใจไปหลายแต่ครั้งละ้ว่าโอ้โหมันซับซ้อนมันแล้วฟังเธอฟังหลายๆครั้งฟังเรื่อย จะเห็นว่าโอ้โหความลึกซึ้งซับซ้อนพระพุทธเจ้านี่มีสภาพมุนรอบเชิงซ้อนแม้แต่คำตรัสของท่านยกตัวอย่างก็ตามโอ้โหลึกซึ้งซับซ้อนขนาดเหลือซึ่งเป็นเรื่องของภูมิธรรมระดับพระพุทธเจ้าภูมิธรรมของวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชาพุทธะเนี่ยมันจึงสุดวิเศษอย่างนั้ น, น ยังหาไม่เจอเลยปุตตะมังสะสูจูข้ออะไรมันดูมันจะข้อ240หนึ่งมั้งเท่าที่พอจำได้เราเราลัง ๆ, ๆโอ้โห و, เป๊ะเลย240ปุตตะมังสะสู <C oughs> อยู่ตั้งข้อ240อีกไกลนี่เราเพิ่งถึงข้ออาหารสูตรในี่สนะอาตมาเหลือไปดูเวลาแล้วเวลา19นาฬิกาส9านาทีสำหรับนาฬิกาอาตมาแต่อันโนนไปไกลกว่าเพราะเขาเร็วกว่าเสมออ่าก็ขึ้นต้นอาหารสูต ร, รไว้หน่อยหนึ่งก็แล้วกันข้อ28่สบข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านานาดมิตรกเศธีเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพรภาคตรัสว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลายอาหารสี่ท่านบอกอาหารสท่านก็ตรัสเรื่องนี้นะปุตตมงสะแต่พเทมันยังไม่ได้ขยายความอาหารสเป็นไนคือหนึ่งกวริงกระราหาน อาหารหยาบกบริงกะราอาหารหยาบหรือละเอียดสองผัดสาาหารสามในมนโสมนโสเจตนาอ า, าหาร4ีวิญญาณอาหารอาหารสี่เหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของมูสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะมูสัตวแสวงหาที่เกิด <c oughs> อ่านไปอีกสักข้อหนึ่งนะมันจบเลยอาหารศูนย์นี้อีกสักข้อหนึ่งหน้าหน้าเดียวเองน่ากว่าดูกระพิสูนครยุบการดูกระพิสูุทั้งหลายก็อาหารสีเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสีเหล่านี้มีตันหาเป็นเหตุมีตันหาเป็นที่ตั้งมีตันหาเป็นกาเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุมีเวทนาเป็นที่ตั้งก็ไล่มาตามปฏิสูบานนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะตัณหาก็มีอ่าเวทนา มีเวทนานี้และเวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นที่ตั้งมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเหตุสองที่ตั้งสามกำเนิดสีแดนเกิดเพิ่มขึ้นมาอีกสี่สี่คำ น, อนีอีกสีํคำเกิดขึ้นมานคือคำว่าหนึ่งตัณหา มีที่ตั้งเรียกว่าสมุทธยามีเป็นกําเนิดเรียกว่าชาติกาเป็นแดนเกิดเรียกว่าปพว า, ามีหนึ่งอสสี่คาแรกคําแรก ม, มีเหตุก็คือมี อ, อะไรอ่านไม่ออกของตัวเองเขียนอ่านไม่ออก อ๋อเหตุนี่เขาเอาคำว่านิทานนิธานาตันหาเป็นมีตันหาเป็นเหตุเหตุนีท่านแปลมาจากคำว่านิธานานิทานเออตันหามันเกิดเพราะมีนิทานมีเรื่องราวเ <c oughs> นี่ยมีตันหาเป็นเหตุเหตุนี้ท่านแปลภาษาบาลีมาจากคำว่านิธานามีตันหาเป็นที่ตั้งสมุทยามีตัหา เป็นกำเนิดด้วยชาติกามีตัณหาเป็นแดนเกิดคือปภวาก็ตัณหานี้แหละอะไรเป็นเหตุก็มีนิธานเานี่ยนิทานมีอะไรเป็นที่ตั้งสมุทัยสมิทายามีอะไรเป็นแดนมีอะไรเป็นกาเนิดชาติกาหรือชาชาตินัน่นแหละมีอะไรเป็นแดนเกิดปภวาหรือสัมภวาก็ได้ปภวาหรือสัมภวาอะไรเป็นแดนเกิด เพิ่มขึ้นมาอีกสามอย่างท่านแปลเป็นไทยว่าเหตุที่ตั้งขึ้นแล้วก็กำเนิดแล้วก็แดนเกิดถ้าเป็นพระบาลีก็มีนิทานมีสมุทยัยมีชาติมีปัจจุมีรือสัมภัสวะสมภวะหรือปัพจุแปลว่าแดนเกิดน่ะแดนเกิด <c oughs> แล้วท่านก็ไล่ไปทุกๆอัน ไล่ไล่ไปจากตัณหาแล้วก็เวทนาแล้วก็ผัสสะจากผัสสะก็อายตนะจากอายตนะก็มานามรูปนามรูปแล้วก็เป็นสังขารก็เป็นวิญญาณวิญญาณแล้วก็ไปเป็นสังขารสังขารแล้วก็ไปเป็นอวิชามีอวิชาเป็นเหตุมีอวิชาเป็นที่ตั้งมีอวิชาเป็นกําเนิดมีอวิชาเป็นแดนเกิดนะ ดูการพิสษจนทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจะมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณดังพันนามาชะนีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประกาศอย่างนี้ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับโดยการสํารอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณดับก็วิญญาณดับนามรูปดับจารทดับดับไปจนหมดสาย ความดับแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประกาศนี้อ่านให้ฟังแค่นี้ไม่ค่อยสนุกหรอกเดี๋ยวอาตมาจงเอามาอธิบายแม่สอดส้อยมาลาทักแป้งโปะหน้าอะไรเข้าไปร้อยเรียงเวลาทีนี้เราจะสนุกสนุกเลยเนี่ยอธิบายอันนี้สนุกยังไม่ต้องไปพูดถึงอาหารสี่ ท่านตั้งต้นแต่เพียงว่ามีอาหารสี่นี้แหละนะเป็นเครื่องดำรงอยู่ของมูสัตผู้เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์ให้มูสัตผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นเครื่องอาศัยสี่อย่างนี้แหละที่คุณถ้าไม่รู้ดีๆเลย อาหารนี่เป็นเครื่องอาศัยและมันอาศัยมันยังกลายไปเป็นอะไรถ้าไม่รู้รายละเอียดของกลายไปเป็นอะไรอะไรซึ่งค่อย อ, อธิบายเมื่อปุตตะมังสะสูตรตอนนี้อธิบายในปฏิสมุบบาททิศไล่ตรงนี้ก่อนว่ามันแถมมาตัวคําว่า ม, มีเหตุคือนิทานะมีสมุ ท, ทยัยคือที่ตั้งขึ้นแทนที่จะแปลว่าสมุ ท, ทยัยว่าเหตุกลับไปแปลนิทานว่าเหตุแปลสมุ ท, ทยัยว่าที่ตั้งขึ้น นั่นถ้าเอาอัดทํ า, า, าไม่เอาพระจันทร์ชนะนแล้วก็มีกําเนิดก็คือชาติก็ไม่มีปัญหาราชาติกามีแดนเกิดสัมภาวะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่อยอธิบายนี้มันเป็นนิทานหรือเป็นเหตุอย่างไรนั่นแหละนิทานนั่นแหละคือนวณิยายคือหนังคือละครนั่นแหละมันหนังละคร น, นั่นแหละเป็นเหตุที่พาให้คนอาศัยแล้วหลงอยู่กับละครเนี่ย ก็เล่นละครกันมาแล้วทุกคนน น, นี่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหหลายคนบางเรื่องก็เป็นหนังรักนะบางเรื่องก็เป็นหนังบูบางเรื่องก็เป็นห น, น, น, น, นังโมหะเมาไปตะเลอะเทอะไปอะไรก็มั่งไหมลูกแต่ที่จริงแล้วมันรวมทั้งสามรสนั่นแหละ ทั้งรักทั้งบูทั้งหลงมันเป็นแกงโ h ะไปด้วยกันหมดนั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าตอนไหนมันจะเกิดบมดรักตอนนั้นมันจะเกิดเรื่องรักตอนไั้นมันจะเกิดเรื่องบูตอนนั้นมันจะเกิดเรื่องเมาหลงผสมปนเป์อยู่ในนั้นแหละเป็นเหตุที่ท่านใช้คำว่านิทานเป็นเรื่องราวอาศัยอันนี้เป็นเรื่องราว อาศัยอันนี้เป็นเหตุอวิชชาจึงเกิดเพราะฉะนั้นนิทานทุกเรื่องของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยคุณก็หลงจริงทั้งนั้นเลยสุขทุกข์หรืออะไรนี่ที่จรงก็หลงสุขมันแต่ทุกข์มันเยอะกว่านะแต่ไม่ใช่ก็ไม่เพ่งหรอกทุกข์ไปเอาแต่ตัวสุขแล้วก็จําอยากได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อยากได้อยูน่นะพอทุกข์ก็ น, นี่หนีคลายหาสุขใหม่ทดแทนไปเรื่อยเลยเลยกลายมาในนิทานแตกแตกแขนง แตกก็เรื่อยรืงแตกก็เรื่อยวันนี้เลยเวลาไปหลายนาทีแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขอเอาไว้ก่อ น, นาฝากฝากไวฝากไว้ก่อนเถอะอะอะ โอลาดเขาเลิกโฆษณาแล้วเดี๋ยวนี้ฝา่าวัยกรเธอโอลาดเขาเลิกโฆษณาตั้งนานแล้วเอ้าเชิญทีนี้เอ้าเอาละยกมือก็ตามไปคนไหนคนก่อนได้ไ ป, ไปแล้วกว่าไปเลยเอาไมโครโฟนให้คนต่อไปอ้าวใครได้ก่อนเอาเลยใครต่อมาเอาไปให้คนที่ต่อยกแล้วแล้วต่อไปคนต่อไปก็ยกรอไว้อีกเพื่อที่จะได้ ไมโครโฟนจะได้เดินมาหาเขากาดคะ <c oughs> ่ะกราบนพิธการพ่อครูสมณศิคมาศ <c oughs> แล้วก็นักบวชทุกฐาน ะ, จะเจริญธรรมยติธรรมทุกท่านคะ <c oughs> ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมีโอกาสพูดในชั่วโมงการเรียนหลายสิบวันที่ผ่านมามีสมณมีศิคมาศท่านหนึ่งถามว่าหนึ่งฟ้าไม่เห็นพูดอะไรเลยตอนเรียน ดิฉันก็ไม่กล้าตอบว่าดิฉันเจียมตัวพ่อรู้ว่าตัวเองเป็นคนรู้น้อยถึงแม้ว่าพ่อครูอาตมาเคยใช้นำประกาว่าบุญน้อยไปแสดงละครวิทยุค่ะอ่าบุญน้อยถึงแม้พ่อครูจะเคยให้กำลังใจว่าวิญญานิพนธ์ที่ดิฉันทำก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีกับการเป็นด็อกเตอร์แต่แม้กระนั้นจนบัด น, นี้ดิฉันก็ยังไม่กล้า ว, วิญญานิพนธ์ลเล่มนั้นออกเผยแพร่ ด้วยความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอยังอยากจะแก้นูนนิดแก้นี่หน่อยจนบัตรนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาบรรลักษ์ของส ม, มุดทวงแล้วทวงอีกทวงจนหน้าเหม็นแล้วบอกว่าไม่อยากจะทวงอีกแล้ว <c oughs> ไอไปให้แล้วก็ดิ <c oughs> ฉันก็ไปสาทับอีกว่าห้ามเผยแพร่ <c oughs> เพราะว่ายังไม่พร้อมที่จะให้เผยแพร่ะนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ดีนะดีที่ว่าทํางานของเราเองเรารู้สึกมันยังไม่ดีพอเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครไป ไปสัมผัสหรือไปรับเอาสิ่งที่มันยังไม่เต็มมันพร่องๆไปมันมันม่นเคยดีเอาอาต่อเพราะว่ามันมันจบมาได้ได้วยความทุรักทุเลพอประมาณก็เป็นแพรแค่ในเรื่องของสมมุติโลกแต่ด้วยความรู้สึกจริงๆก็คือยังรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรมีอะไรที่ดีกว่านี้ที่ยังอยากจะทําอยู่ที่จะให้คนอ่านได้ได้ใช้ประโยชน์ได้จากการทําหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ที่ถูกพาดพิงเมื่อสองวันก่อนที่ ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณศิ k มา m กล้าข้ามฝันที่กรุณาเมตตาให้กำลังใจในวันที่ถูกระเบิดเอ็กโซเซมาใ น, ในวันที่ผ่านมา <c oughs> นะคะแล้วดิฉันก็วันหน้าวันนั้นที่ที่ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกตกใจบ้างเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปในเวลาที่ไม่นานนักหลังจากนั้นก็ฟังมาจนถึงประโยคสุดท้ายว่าอ๋อทาง ทางสมณะและศิขมาต ก, ก็ก็ได้ด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยนะคะดิฉันดีฉันก็เลยแล้วพอเช้าวันต่อมาเน่ยศิขมาตกล้าขํามันก็พูดผ่านมาบอกว่าโดนด้วยกันทั้งคู่เราคงต้องช่วยร่วมมือกันทํางานนะดิฉันเลยบอกค่ะขอบคุณค่ะเอ่อก่อนที่จะพูดลงในรายละเอียดว่าดิฉันรู้สึกอย่างไรอะคะก็อยากจะขออนุ ญ, ญาต พูดในสองประเด็นนะคะก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในส่วนที่เป็นความรู้สึกนะคะดิฉันได้ยินครั้งแรกที่ถูกพาดพิงก็รู้สึกตกใจอันนี้จะขออนุญาตอ่านเพราะว่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพูดจาสับสนเพราะเนื่องจากความไม่เคยชินแล้วก็ไม่ถนัดที่จะพูดเรื่องอย่างนี้ในที่ประชุมนะคะเอ่อ พอเมื่อได้มีการวินิจฉัยอาการของโรคเด็ดนะคะชักงงพอตกใจบ้างนิดหน่อยแล้วก็หายไปในเวลารวดเร็วเดวเวลาที่ภพาดพิงมาส่วนถึงของนักบวชก็รับรู้ว่าเป็นศินละปะการสอนของพ่อครูที่ให้ทั้งสองฝ่ายต้องมาช่วยกันทํางานโ <c oughs> ดวยวินิจฉัยอาการของโรคแต่ละฝ่ายให้รู้ตัวและให้เร่งรีบในการแก้ไขความรู้สึกเฉยๆดังกล่าว ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคหะสิตาอุเบขาเวทนาหรือที่เรียกว่าอุเบขาเฉยเดอหรือจะเรียกว่าเป็นเนคขมะสิตาอุเบขาเวทนาเป็นคําถามแรกที่อยากจะเรียนถามพ่อครูโดยขออธิบายเหตุปัจจัยาการประกอบโดยเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างการเกิดของบรรฑารกับการเกิดของบอลบอลในประเด็นต่างๆดังนี้ค่ะประเด็นแรกก็คือเหตุผลของการเกิดนะคะประเด็นที่สองก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประเด็นที่สคือสภาพความสุขงงของการเกิดที่เรียกว่าชาติสัญชาติโอกันตินะคะประเด็นที่สก็คือบทเรียนและประสบการณ์ของตัวเองทั้งในด้านของประยัตการก้าวข้ามวิจิกิชฉาเกี่ยวกับคำถามที่ว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ทำไมฉันต้องทนทำไมฉันจะต้องแล้วฉันจะต้องทนไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วการที่จะทาในแต่ละเรื่อง ในในการเกิดวนบอครั้งนี้ก็มีข้อมูลมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีความพร้อมในการที่จะรับผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความใจเย็นพอที่จะรอจนกว่าจะมีเหตุปัจจัยที่เหมาะควรพอที่จะทําต่อไปนี่คือประเด็นคร่าวๆที่จะนําเรียนเสนอเพื่อป้องกันการฟังที่จะทําให้เกิดการสับสนนะคะในการเหตุผลของการเกิดสําหรับกรณีของบรราศเป็นการเกิดด้วยความอยากที่เป็นกุศลโลกีเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะ เป็นเพราะอยากจะทำบุญด้วยความเข้าใจอย่างสามัญชนทั่วไปที่ที่เขาอยากจะทำกันก็คืออยากจะบริจาคอยากจะสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลดิฉันก็มีความอยากเช่นนั้นไม่ต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็ในเวลาเริ่มต้นทำงานเพราะว่าพ่อแม่เสียชีวิตนานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีครอบครัวพี่น้องก็ดํารงชีวิตอยู่ได้โดยสุขสบายดี ดิฉันเป็นลูกที่พี่น้องไม่มีความจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือจากดิฉันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะว่างไม่มีภาระผูกพันนะคะเพราะการที่มาอยู่ที่สันติอาสกจึงมาด้วยหัวใจที่เต็มร้อยการเกี่ยวข้องในการที่จะเข้ามาทำงานในครั้งแรกก็คือมาสมัครเป็นทนายในคดีสันติอาสกเป็นคดีทนายหญิงคนแรกแล้วก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่ เชิญทนายทองใบทองเปล่าในฐานะไอ้ทนายแม็กซไซ์เข้ามาเกี่ยวข้องและจนบัดนี้ก็ต้องตอบเองเหมือนกันว่าคิดถูกหรือคิดผิดในวันนั้นการเกี่ยวข้องไอ้ในการเริ่มงานที่ที่สันเตียโกดีฉันก็ทำงานโดยไม่รู้ว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรเมื่อมีภาษาเกิดก็จะคิดแค่เพียงว่าฉันผิดตรงไหนและถ้ามันจะผิดมันก็ต้องผิดด้วยกันซีเ่เป็นการคิดแค่เหตุผลตักกะธรรมดา แล้วก็ไม่รู้จักฟังธรรมไม่สามารถเอาหลักธรรมคำสอนเข้ามาจัด ก, การกับกิเลส ต, ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสคิดได้แค่ว่าฉันถูกเธอผิดนะคะแล้วก็อยากจะขอบอกกล่าวความข้อ น, นี้ไปยังทุกท่านที่มาอยู่ในโสกด้วยความเข้าใจชนิดนี้ว่าโปรดทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้งในขณะที่การเกิดของวอบ อ, รบ อ, รบอรตรงกันข้ามในทุกเรื่องแม้จะเป็นเหตุสืบเนื่องมาจากการเกิดบัณราร คื อ, เ, อเรื่องมหาเลยบางชีวิตที่ได้เริ่มต้นมาพร้อมๆกับการเกิดของบรรดาก็ตามประกอบกับผลที่เกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการดังกล่าวค่อยๆทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและความเข้าใจมากขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาดังนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องราวต่อไปต้องต้องขอขอบพระคุณชาวอาโศกทุกท่านที่สร้างเหตุปัจจยาการจนดิฉันต้องเดินมาถึงจุดที่ว่า แม้แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีแม้แต่ที่จะยืนหยัดทรงกายเป็นความรู้สึกที่เคยเห็นแต่นิยายกําลังภายในที่ชอบอ่านตั้งแต่เด็กจนโตนะคะแต่เมื่อมาเจอประสบเหตุมันก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่คิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้านะคะแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณพ่อครูเป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาตักเตือนห้ามปรามห้ามปรามอย่างน้อยถึง3ามครั้ง แต่ด้วยความดื้อด้านโง่งมอันเกิดจากอาวิชาทำให้ไม่ฟังคำเตือนจนต้องไปประสบชะตากรรมกับความวุ่นวายของสังคมข้างนอกแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็ได้ทำให้หมดวิจิกิจชาอย่างสิ้นเชิงในแง่ของสมมติสัจจะแม้จะช้าหน่อยก็เชื่อว่าไม่มีการเวียนกลับแน่นอนมันถูกฝังรากจนถึงขั้นตรหนักรู้ถึงขั้นกลัวภัยในวัฏสงสารที่เรียกว่าพยัตูปัฏฐานยาณ จากนี้ไปก็เป็นการฝึกรับมือกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในยานลำดับถัดมาไม่ว่าจะเป็นอาทีินว า, น, า, า น, นุปัสนาญาณนิพทานุปนิพถายานบุญจิตุกรัมรมยตยานและยานอื่นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในการกลับมาอาโศกครั้งนี้ก็เชื่อว่าคงไม่มีเหตุที่จะต้องออกไปอยู่ข้างนอกแน่นอนและเชื่อว่าจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกเบิกบานได้ทาได้ตามสมควรเพราะรู้จักวิธี ที่จะอยู่กำหนดบาทีท่บทกำหนดบทบาทที่จะต้องทำตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นคือทำตามนโยบายของพ่อครูเป็นหลักทำมากเกินหรือน้อยเกินก็โดนกระทุงเองอย่างที่ได้รับมาในวันประชุมชุ ม, ช, มชนเมื่อได้รับคำเตือนก็นํากลับมาตรวจสอบตรวจทานเพิ่มเติมในในข้อในรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปว่าการเกิดของวอรบอเป็นความอยากที่เป็นวิภวตัญหาที่ตัวเองได้ดีขึ้นมาจากการฟังธรรม ได้โอกาสที่จะศึกษาเจาะลึกในการทำวิจัยได้รู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายในสิ่งที่ไม่เคยรู้เมื่อเทียบกับเมือม่อเทียบกับความไม่รู้ของตัวเองในอดีตนะคะแต่ไม่ได้เป็นพูดถึงท่านอื่นๆที่มีความรู้มากแล้วเป็นความอยากให้คนที่ยังไม่รู้ได้รู้เหมือนกับที่เรารู้หรือรู้ได้มากกว่าบุคลากรที่มาร่วมมือในครั้งนี้ก็ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มาได้แรงบันดาลใจที่อยากรู้ ท, ที่อาจจะขาดองค์ประกอบอย่างที่ดิฉันได้รับก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันกันต่างจากการเกิดของบรรราชที่ถูกระดมเข้ามาในลักษณะของการสร้างบ้านแปลงเมืองที่อาจจะยังไม่เน้นคนที่ต้องการจะศึกษาเจาะลึกทางจิตวิญญาณมากนักในช่วงเวลานั้น3ความสุขงอมของการเกิดวนอจากการที่ทดลองชักชวนคนมาสมัครโดยที่ไม่มีการประกาศเป็นทางการในวันงานอโศกรำลึกครบรอบ80ปีของพ่อครู ทั้งๆ ท, ที่เจตนาที่มาในวันอสศกรำลึกดังกล่าวแค่ต้องการมาร่วมงานและนําเสนอกระบวนการศึกษาแนวทางการศึกษาที่ควรจะเป็นกับพ่อครูเท่านั้นเองแต่ก็เกิดเหตุมากมายจากผู้ที่มาร่วมงานเห็นดีเห็นงามตามกันขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อทั้งทั้งที่ชื่อของสถาบันการศึกษาก็ยังไม่มีสถานที่เรียนก็ไม่มีหลักสูตรก็ยังไม่ได้ทําคณะทํางานก็ยังไม่มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในครั้งนี้ ทุกอย่างว่าไปตามเหตุปัจจัยาการรายวันรายนาทีจริงๆเป็นการพิสูจน์ความต้องการของชาวโศกที่ใส่ใจรักการพัฒนาจริงๆจึงได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ดิฉันรู้สึกชื่นชมและประตานดโมธนามัยกับนิสิตวบรบบทุกท่านจริงๆการได้รับขุมทรัพย์จากข้อครูครั้งนี้ดิฉันถือว่าเป็นสัญญาณของโอกันติ ที่เกิดจากการจุดชวานให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะเกิดสันชาติใหม่ในสันชาติใหม่ในการมุ่งสู่โลกุตตระยิ่งยิ่งขึ้นจากที่เป็นอยู่มาหลายสิบปีนี่เป็นคำถามข้อที่สองที่อยากจะเรียนถามพ่อครูว่าดิฉันเข้าใจถูกหรือไม่ <c oughs> ดิฉันใช้เวลาใช้ภาษานี้ถูกต้องหรือไม่เป็นเพราะเป็นคำถาม เ, าเดี๋ยวนะคะงง่นวายมาก ถือว่าเป็นกายวิญยัตติวจีวิญยัติที่พ่อครูใช้ในลักษณะที่เป็นนันจคีตะวัธิตะเป็นศินละปะชั้นสูงในการสอนลูกๆในครั้งนี้เพื่อให้สมานสังวาดกันเพื่อให้บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพ่อครูตอบก่อนก็ได้งด อ, ะคะ อ, อดงคุณได้เรียงถูกมาหมดอะไรนะคะตอบก่อนได้ตรงเนี้ยคุณได้เรียงถูกมาหมดขอบคุณคะ่ะ แม้แต่ตัวนักจักขีตาวาดิตาในกายวิญญาต์วจีวิญญาต์ก็ถูกขอบคุณค่ะแต่แต่เพียงว่าได้ค่อยฟังเติมใ้เรื่องกายวิญญาต์วจีวิญญตัตเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันจะอะไรในรายละเอียดที่จะมีซ้อนที่กำลังอธิบายอยู่ต่อไปก็แล้วกันค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ลูกๆสมานสังวาสกันในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพ่อครู ที่จะต้องมาทำให้นานาสังวาสของชาวพุทธที่มีอยู่ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าให้สมานสังวาสกันให้ได้จึงจะทำให้พันธกิจในการสืบทอดอายุไขของศาสนาสมณาโคโดมไปถึง 5,000 ปีได้จริงอันนี้เป็นคำถามข้อที่สี่ที่จะเรียนถามอืมก็ใช่อีกค่ะอา่อาแล้วก็สืบเนื่องจากนโยบายของพรรคเพื่อฟ้าดินในช่วงของการขยายอายุของอายุ ข, ขของพ่อครูเอ่เอ ประมิ่งซึ่งเป็นหัวหน้าพักและดิฉันในฐานะเลขาพักก็ได้เรียนหารือในประเด็นต่างๆที่เป็นนโยบายของพ่อครูดังนี้นะคะว่า 1. ความจําเป็นในยุคในยุคขยายอายุขเนี่ยเป็นความจําเป็นที่ต้องให้พุทธบริษัท4แข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานให้กับการสืบทอดพุทธชีวีโดยเฉพาะพันธกิจของพระนิยตตโพธิสัตว์ที่ต้องสืบทอดาศาสนาของสมณะโคดมให้ถึงห้าพันปีเป็นอย่างน้อยนี่จึงเป็นพันธกิจข้อแรกของวรบ อันนี้ก็จะเรียนถามพ่อครูนนว่า<ก>ใช่หรือไม่ใช่บอกให้ได้ว่าตอนนี้มันมีนิมิตมาเรานี่เงียบตอนนี้เนี่ยแต่เงียบเนี่ยมีทหารมาที่นี่ทหารมาที่นี่มาดูลาดเราอยู่บ่อยมาดูเสมอแล้วก็ได้คำตอบจากทหารว่า ใจเย็นๆในนาจะเพิ่งใจร้อนตอนนี้ก็ยังไม่ให้เปิดมันคืออะไรใช่ไหมมันพูดในในว่าพี่ไปหลายวันพูดในในว่าพี่ไปหลายวันมันก็ทำให้เราชิ่งไปเห็นว่าเอ้พูดเป็นในในว่าพี่ไปหลายวันมันมาจากอะไรนี่คือทหาร เพราะฉะนั้นเราอย่านึกว่าเราเองเราไม่มีน้ำยาน้ำยาเรามีแต่อาจจะยังไม่มีน้ำจีนอ <c oughs> อาต่อค่ะแล้วในการที่จะต้องทำให้ได้ดังกล่าวจึงต้องดำเนินนโยบายของพักเพื่อฟ้าดินที่ได้รับมาอย่างแข่งขันถึงขั้นวิริยารำพะในการยกระดับของบวรหรือบ้านวัดโรงเรียนให้เข้าสู่การรวมประสให้เป็นหนึ่ง <c oughs> ยกระดับกิจกรรมของาศาสนาให้เข้าถึงระดับการเมืองอริยะด้วยการเริ่มการศึกษาให้เข้าสู่โล ก, กุตระและนี่จึงเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นใช่หรือไม่คะใช่ก็วพวกเรานี่แหละจะเป็นตัวจริงที่มันจะออกคุณนรังสีมีคุณนิธิคุณนนิธิแล้วก็มีคุณรังราศีที่จะออกไปโดยไม่ต้องไปยัดเยียดโดยไม่ต้องไปเสนอเสนอตัว แต่ทำตัวเราเองให้มีคุณนิธิให้เยอะโจนมันเกิดคุณราศีและกอบแพ้รังสีแพ้กระจายอะไรโอไปเองอย่างนั้นนะโดยทำแน่ทั้งการบ้านและการเมืองแต่การเมืองของเราในการเมืองภาคประชาชนเน้นภาคประชาชน กิจกรรมของบอลบตลอดเวลากว่า40วันที่ผ่านมาจากวันที่11กรกฎาคมซึ่งเป็นวันปฐมฤทศจนถึงวันที่22สิงหาคมคือวันนี้นับรวมได้แค่40วันเท่านั้นแต่สามารถส่งผลสะเทือนจนถึงขั้นได้รับการชี้ขุมทรัพย์แรงขนาดนี้จะถือว่าเป็นคําชมได้หรือไม่ค ะ, ะถือว่าเป็นคําชมดี่ดรู้จักตีความว่าอันนี้เป็นคําชม <c oughs> ได้ใช้ได้ขอบคุณค่ะใช้ได้ ดีมากแล้วก็ตัวเองก็เมื่อตีความเองแล้วก็ทำใจให้เป็นจริงตามนั้นได้ก็แล้วกัน<อ>ว่าเป็นคำคชมไม่ใช่คำโคกค่ะเพราะจากนี้ไปจริงต้องเป็นเรื่องของการมาร่วมหารือการระหว่างบอนบอลและชุมชนว่าจะช่วยกันปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้อย่างไรตรงจุดนี้ดิฉันถือว่า เป็นคำเชิญชวนและคำเรียกร้องขอร้องอย่างจริงใจในการที่จะร่วมมือกันในการสืบสารเจตนารมณ์ของพ่อครูในการปฏิบัติตามพันธกิจที่พ่อครูให้ไว้ต่อพระเจ้าองค์ปัจจุบันคือสมนโคดมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะถือว่ามันเดินทางมาถึงจุดสันดาบตรงจุดนี้ก็ต้องถือว่าสิ่งที่วรบได้กระทามาเป็นแค่อินโทรดักชันและต้องกราบขออภัยถ้าดิฉันได้มีการล่วงเกิน อันเนื่องจากความต่างทางทิฏฐิเป็นสำคัญนะคะก็ต้องกราบขออภัยทั้งสมณะศษษษิ karma นากลักปะและญาติโยมทุกท่านด้วยความจริงใจคะ่ะ mm. uh. เ, เดี๋ยวนะครับมันเขียนวกไปวนมางง คนอื่นจะไม่งงไหเนี่ยก็คงต้องงงครคบคนเคียนเองบอกงงก็ข้อสำคัญภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงนักในนามของชาวโสอยากจะเรียกร้องให้ทุก คนทุกฝ่ายทุกท่านทุกฝ่ายอภัยให้กันและกันในเรื่องอรา ว, รรวที่ผ่านมา ไ, ไม่ว่าจะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการความผิดพลาดโดยไม่เจตนาหรือเจตนาด้วยประการอื่นใดก็อยากจะขอให้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอดร่วมแรงร่วมใจกันสักครั้งเพื่อพ่อครูของเราแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นมาถึงวันนี้ มันก็เป็นการเกิดขึ้ น, ดนโดยที่ดิฉันและคณะก็ไม่รู้ตัวและไม่ได้ตั้งหลักเช่นเดียวกับที่หลายๆท่านต้องเผชิญชะตากรรมในการที่จะมาอยู่ที่นี่โดยต้องอยู่อย่างลงหลักปักฐานจากเดิมซึ่งไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่นะคะตั้งใจแค่จะมาเดินละครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ที่สําคัญที่ผ่านมาดิฉันก็มัวแต่วุ่นวายกับการทําความเข้าใจว่าวนบวจะต้องทําอะไรบ้างวันต่อวันประสบการณ์ในาการทําการศึกษาก็ไม่เคยมีมาก่อน นะคะความบกพร่องก็เกิดขึ้นมากมายเวลาที่จะชี้แจงก็น้อยจนนํามาสู่การขอพบประชาวบรบบทุกท่านในวันเสาร์ที่ถึงนี้เพื่อให้มีการเปิดใจกันว่าตลอดเวลากว่า40วันที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรบ้างและขอถือโอกาสหาหรือว่าจะเรียนเชิญสมณะศิขมารวมทั้งนักบวชทุกฐานะเข้าร่วมในการเปิดใจกันครั้งนี้เลยหรือไม่อยากจะลองหาหรือดูทุกฝ่ายนะคะแล้วก็เดิมทีที่เรานัดหมายกันไว้หกโมงเย็นจะเลื่อนขึ้นมาเป็นเวลาต่อจากอาจารย์พิศิทเลยดีไหม เื่อว่าจะทำให้มีเวลาพูดคุยมากขึ้นอันนี้เป็นแค่ข้อหาหรือนะคะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายและในท้ายที่สุดนี้ต้องกราบขอบพระคุณเพราะพ่อครูที่ให้โอกาสใิฉันได้มีโอกาสรับใช้แม้เพียงน้อยนิดเศษเสีเส้ยวเล็กๆในการขับเคลื่อนพุทธชีวีในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณสมณะศิคมาศนักบวชทุกฐานะรวมทั้งชาวชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตวรบคณะทางานวรบรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแสดงมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของโลกในการช่วยกันสร้างอุณหภูมิให้มีความร้อนและพลังงานให้ถึงจุดชวานที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อันเกิดจากพลังงานของไคเนติกและโพเทนเชียลเอนเนอร์จีที่กล่าวไว้ในสังกปะนาสะวัจเจต โ, โดยมีพ่อครูเป็นผู้กา ก, กับการแสดงอย่างใกล้ชิดในการละที่พยาแรงกาลังการปี พร้อมที่จะโผลทยานออกสู่พิภพในสังคมรอบกว้างในครั้งนี้อันเป็นรอบแห่งการประกาศความยิ่งใหญ่ในการบรรเลงเพลงประสานเสียงโลงกุตระที่นำโดยพระเนียตะโพธิสัตว์เจ้าการบรรเลงบทเพลงอริยะหมายเล็กที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อพุทธแท้เกิดแผ่นดินแยกแตกสะเทินหวั่นไหวได้เริ่มบรรเลงมาแล้วหลายครั้งไหลหุ่นในรอบหลายปีที่ผ่านมานับรวมไดถึง5ครั้ง อันนี้ฝากฝ่ายบันทึกดูช่วยตรวจสอบอีกทีนะคะนี่ดิท่านนั่งนับเองเพราะว่าสนใจในในในบทเพลงนี้มากแล ะ, ะพ่อครูก็จะต้องบรรเลงต่อไปให้ครบอย่างน้อยเจครั้งซึ่งคงจะต้องกระหึ่มและกล้องกังวานในอีกไม่ช้านี้เมื่อลูกหลานพญาแรงได้ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันโอ้เก่งนะรวบรวมแต่้าครั้งแล้วค่ะ ดิฉันก็เริ่มจำแไยังไม่ได้นับหน่งสักครั้งเดยวค่ะดิฉันก็จําได้ว่าอย่างนั้นนะคะเออเก่งเก่ง่งอ๋อจังงดีแล้วชวนจะถึงเจ็ครั้งที่เจ็ดแล้วค่ะทีนี้ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะพูดท่อนสุดท้ายก็ต้องกราบขออนุญาตพ่อครูก่อนว่าดิฉันอยากจะขอเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะพูดอะไรอีกสักเล็กน้อยถ้าแมดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยก่อนล่วงหน้าค่ะดิฉันอยากจะกล่าวว่าณการนี้จึงขอเชิญชวนเหล่าลูกหลานพญาแรง ร่วมอาราธนาให้พระนิยตาโพธิสัตว์เจ้านำพาพวกเราเหล่าสาวกภูมิสัตว์ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าซะหน่อยไม่ใช่ค่ะนโะพธิสัตว์เจ้าค่ะออบอกโพุทสัตว์ให้พระนิยตาโพธิสัตว์เจ้าค่ะเออเมื่อกี้บอกพุทธเจ้า <c oughs> นำพา <c oughs> พวกเราเหล่าสาวกภูมิเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สงครามโลกุตละเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณมนุษยชาติที่ยังมีผงทุลีในดวงตาน้อย อันเป็นพันธกิจที่ได้แสดงมโนสัญเจตนาอาหารต่อเบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเราเมื่อครั้งพุทธกาลสืบสาพระศาสนาให้ดำเนินไปถึงอย่างน้อย 5,000 ปีด้วยเทอสาธุสาธุสาธุาธอา้าวดีอนโมธนาอ้าว อ้าวนินน่ะเขาได้ไมโครโฟนยังยังคนเขาได้แล้วนี่เขายกก่อนเขาได้ไมโครโฟนไปในมืออ้าวเอาเลยเอาเอาเอาอะไกันน่ะเขายังไม่ได้คุณได้ก่อนอ้าได้ไยังไม่ได้ยังได้ไม่เปิดะกลาวน้ำมศการค่ะคือฟังปัญหาของจอมยุทธ์หนึ่งฟ้ารู้สึกว่าสะเทือนถึงดวงดาวแต่ทีนี้ว่าเราเป็นลูกเรือลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ต้องฟันฝ่ากันต่อไปนะคะ ทีนี้ฟังปัญหายิ่งใหญ่เลยนี่มาเพราะท่านมาฟังปัญหาเด็กๆ <c oughs> <c oughs> คือว่าการปฏิบัติธรรมที่ว่ากระทบผัสสะใช่ฮะอย่างที่ดิฉันปฏิบัติมาคิดว่าน่าจะผิดนะครับแต่ดิฉันคิดว่าอย่างนี้ก็ไม่ไม่เป็นผลอะไรกระเทือนเท่าไหร่ดิฉันถือว่าผัสสะเป็นของฝากจากเพื่อนเช่น เรารับสิ่งดีมาเราได้ยินสิ่งดีๆมาเราก็รับไว้รับเข้าบ้านแต่ถ้าไม่ดีเราปิดประตูเลยไม่เปิดรับวิถีเลยเช่นอย่างอย่างดิฉันเนี่ยไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่อะไรก็ได้อะไรก็ได้างเงี้ยบางทีมันก็เกิดปัญหาเสียหายเหมือนกั น, ก, นกับเรากับคนอื่นทีนี้มีผู้หวังดีมาเตือนผู้หวังดีนี่ก็คือสนิทสนมกันน่แหละเขาก็มาเตือนเขาก็ใช้ถ้อยคาว่าเธอนี่โง่ พอคําว่างโง่เนี่ยที่ฉันก็ปิดรับเลยไม่รับคําว่างโง่อ๋อไม่ยอมรับประตูงโง่เนาะคื อ, อไม่รับสิ่งไม่ดีค่ะปิดเลยอ๋อขอขอบอกว่าผู้ใดที่รู้ว่าใครมาบอกว่าเรางโง่แล้วเราก็เห็นว่าเรางโง่ผู้นั้นฉลาดมีอีกนี้นะคะพอว่างโง่ก็ปิดประตูไม่รับแล้วก็มีคําต่อมาว่าเธอนี่ไม่รบอบคอบทําให้เสียหายรู้ไหมเรนก็รับ รับรับสองสิ่งหลังเนี่ยใช่ใช่ทำ ใ, ให้เราครอบไม่เลยทําให้เสียหายทีหลังจะต้องระวังตัวกว่านี้ขอบคุณนะที่เตือน mm hmm. แต่ว่าพู้เจ้าบอกว่าระวังนะคนฉลาดมาคบกับคนโง่เดี๋ยวจะโง่าตาม <c oughs> ปรากฏว่าเขาก็หัวเราะดิฉันก็หัวเราะเรื่องก็เลยจบเราไม่ได้โกรธเคืองกันแบบนี้ปฏิบัติธรรมแบบนี้พอได้ไม่ห้ามหมายความว่าหมายถึงก็ทบทบาทาเราไม่เกิดโมโหคือเราไม่รับเลยปิดเลยไม่ดีอ่ะ เอาใหม่ใช่ไหมฮะแบบไหนคะก็ตรวจให้รู้ว่าเออเราโง่จริงตามเขาว่าแฮ่เออเราฉลาดแล้วก็ตรวจดีอีกตรวจดูแล้วเออเราไม่งโง่ตามที่เขาว่าเนาะเราก็ฉลาดเหมือนกันอ่าเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตกลงไอ้ที่โง่น่ะไม่ใช่เราถ้าเผื่อว่าเราเองเราตรวจแล้วว่าเราไม่นี่ผิดตามที่เขาว่าเราไม่ได้งโง่ตามที่เขาว่านะเขาว่าเราเนี่ยเขาต่างหากผิดแต่คนผิดซี่เป็นคนโง่ เราก็จะรู้ว่าเอ๋อเขาโง่แล้วเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาโง่หรอกว่าเอ๋อเขากาว่าเราแต่เขาว่าผิดแล้วก็รู้ว่าเอออันนี้มันผิดไปข้อสําคัญในตรวเราอยากลาเอียงเกาข้างตัวเองจะถูกเสมอก็แล้วกันเท่านั้นแหละตัวดีๆแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเราโง่จริงโลกของโง่ไม่จริงอันนั้นเกิดปัญญาเกิดรู้ความจริงตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ตรวจสอบในปีประตูก็พูดไปก่อนแล้ว คือมายว่าเราไม่รับสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราเราจะเป็นผู้ไอโง่หรือดีหรือฉลาดเน่มันไม่ใช่คือมัดีหรือไม่ดีหมาว่าทําให้เราจิตใจไม่ดีค่ะจิตใจไม่ดีนั่นแหละเราก็ต้องปฏิบัติให้จิตใจเราดีจิตใจเราจะดีเราก็ต้องตรวจสอบตามที่เขาว่าเขาว่าเราโง่เออโง่คืออะไรเราก็ดูเนื้อหาเขาว่ามาอ๋อเขาว่าเราโง่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้เออใช่ไว้เราใช่ ใช่อย่างเขาว่ากราบเขาเลยเราได้ฉลาดขึ้นเรารู้แล้วแมมมาทวงมาติงให้มาบอกให้มาเตือนให้ขอบคุณแต่ถ้าตรวจแล้วโดยไม่ลําเอียงอย่าลําเอียงเขข้างตัวนั้นสําคัญตรวแล้วตัวติีกไม่ใช่นะเขาเข้าใจผิดเ้าเข้าใจผิดจริงๆเขาพูดมันไม่ถูกแล้วก็มาติมาว่ามาอะไรเราดีไม่ดีด่าแล้วด้วยนะเขาดา่ามันไม่ถูกนะไม่ใช่เราเป็นอย่างนั้นนะอย่างที่ว่า แต่ด่าสาดเสียเทเสียไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเรื่องราวไม่เอานะไอย่างงั้นเราก็ยังงั้นปิดประตูได้แต่ถ้าเขาว่าเราโง่หรือเขาว่าด่าเราแล้วเขามีเรื่องราวด่านั้นยังโงอย่างนี้อะไรแต่ว่ากันไปนะเขาว่าเราโง่เขาว่างงงั้นงงงี้เออเราก็ฟังเออมาตรวจจริงๆเขาเตือนห่ะเตือนด้วยความหวังดีนั่นแหละเดินทางมาดีถ้าเผื่อว่าเขาไม่บอกเรื่องเขาบอกว่าเราโง่ เออง่ อ, อะไรบ้างโง่ อ, อะไรให้ก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ฟังเขาอ๋อแล้วก็ตรวจของเราไปจริงๆเลยอย่าลำเบียงเขข้างตัวเน่ยเราต้องย้าอันนี้ถ้าไม่ลําเบียงข้างตัวดูอ๋อโอ้ใช่ขอบคุณขอบคุณที่เตือนเราจะได้ปัญญาแล้วเราก็ได้ปฏิบัติรำด้วยเราก็ไม่เกิดความโกรธความ เกิดร้อนใจอะไรก็ก็ฟังนี่การดา่าการตำหนติติเตียนการที่จะชมเชยมันเป็นเรื่องของสามัญโลกีมันเรื่องธรรมดาโลกเรื่องสามัญ น, นะมันก็กเกิดพระพุทธเจ้าก็ยังถูกด่าเลยคุณใหญ่เท่าไหร่อะไม่เท่าไหร่ฮะ <laughs> พระพุทธเจ้ายังถูกดา่าไปเป็นทําไมไ ม, ไม่มีปัญหาอะไรนี่ขอพบพระคุณค่ะ ก า, การพ่อการนัานค่ะโอ้โน่ไปโน่นเดินดาวไปคิวต่อแล้วค่ะก็ <c oughs> อยากถามกาบเรียนถาม พ, อามพ่อท่านว่าการดำเนินชีวิตของคนในโลกนี้ค่ะ <c oughs> เป็นศินละปะไหมคะเ <c oughs> ป็นศิละปะถ้าเป็นศิละปะมันก็สบาย ถ้าดําเนินชีวิตมีศิลปะสบายแล้วทุกวันนี้แม้แต่ศิลปินที่เขาขายเป็นศิลปินดังๆนัก็ไม่ได้นำศิละปะเขาม่ด้ดเนินชีวิตอย่างศิละปะเลยศิลป์เปอร์เหมื่อกี้แล้วการที่จําเป็นไหมจะต้องมีศิลปะทุกคนคนี้โลกออจำเป็นสิทํามาปฏิบัติธรรมเราจำเป็นคนที่ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่มีศิละปะไปตลอดตายมีแต่ศิละปะ มันไม่เป็นมงค์นอันอุดมศิลปะคือมงค์นอันอุดมมันไม่เป็นมันไม่พาไปทางสูงมไม่ไปทางเจริญมีแต่พาไปหาโล ก, กีมีแต่พาไปหานารกคาบายเนี่ยมองเมากันไปนยังที่เป็นการแสดงหนังเป็นการอะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นศิลปะไหมคะ <laughs> เออมันจะต้องอธิบายกันยาวนะศิลปะหรือไม่มันไม่เป็นหรอกถ้าจะเอาความหมายทางศิลปะที่อามาหมายเนี่ยมันไกลกว่าที่เขาพูดกันไกลศิลปะที่เขาหมายน่ยมันตื้นต้นอยู่แค่เขาเข้าใจว่าศิลปะคือสิ่งที่มาแสดงออกแล้วให้คนอื่นเขาได้รับความสุขหรือได้รับประโยชน์ประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เขาตื้นต้นอะไรประโยชน์อะไรมันเป็นโทษอะไรก็ไม่รู้ล่ะ เช่นว่าเอาเนื้อเรื่องเอาอะไรมาจูงใจให้เขาชมเชยแท้จริงแล้วเขาแฝงเขาแฝงหากินเลี้ยงชีพเท่านั้นเองเขาไมา่ได้ไปศิลปินศิลปเปินอะไรหรอกเขาเป็นผู้หากินเลี้ยงชีพเท่านี้แหละค่ะมาตรการขอกต่อะะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ทกาดาเขาเต็มๆอ่ะขอาการต่อค่ะนงดาวนาวานิยมนะคะฟังพ่อครู พูดถึงเรื่องวิทยานิพน์นะคะก็เลยมานึกว่าเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะท่านก็ทําวิทยานิพน์ไว้ให้พวกเรานะคะเป็นเป็นงานศิลปะเป็นศิลปะอันอุดมนะคะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่นะคะพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้ทําวิจัยจิตของท่านไว้และได้พิสูจน์มาแล้วทุกพระองค์ว่าอาวิชชาจะดับได้ก็เพราะการทําใจในใจโดยแยบคาย เมื่ออาวิชาดับอ ว, วิชาก็เกิดคือเกิดปัญญานะคะเมื่อมีปัญญาก็จะไม่กลับมาทําชั่วอีกทําสิ่งที่ผิดอีกเลยมีแต่กุศลเพิ่มพูนขึ้นอนุพะโลกไปจนปรินิพานและทิ้งทฤษฎีนี้ไว้ให้สาวกสืบสืบต่อความรู้หรือองค์ความรู้นี้ไว้นะคะวิชานี้ไว้ให้ได้พิสูจน์ว่าดับ อวิชาได้จะเป็นคนประเสริฐสูงสุดได้จริงอย่างไรซึ่งพวกเราก็กําลังเรียนทฤษฎีนี้อยู่นะคะเพื่อสืบต่อองค์ความรู้ไว้และสอนต่อนี่คือกอารสืบทอดศาสนาค่ะอืมอ้าวเนียบเรียงได้ใช้ได้เดี๋ยวใช้ได้อ้าวต่อใครครับกระทำครับอา้อาวอา้ได้ไมโครโฟนเอาเลยออคนคยกมือกระไมโครโฟนเดินทางไป โอกาสครับเอาเลยเอาเลยได้ไมโครโฟนเราเลยครับผมรู้วันนี้ก็ผมรู้กิ่งคือใสเดือนนะครับก็จะทาตามภาษานะครับการหนีกิเลสนี้กิเลสคือไม่ไม่สู้ครับคือถ้าสู้ก็รู้ว่าแพ้ก็เลยต้องหนีกับการดับดับแบบดือสีนีมีความคล้ายหรือแตกต่างกันยังไงกับ้างครับเท่ากันครับการหนีกิเลสการนี้ไม่สู้กิเลสกับการดับเท่ากัน คือคนขี้แพ้ทั้งคู่แล้วการดับนี้ <c oughs> ไม่เนื้อกวัวบ้างเลยครับ <c oughs> การดับนี้คือไม่เนื้อกวัวเลยครับหมายถึงว่าการดับนี้มีคุณ<ม>ดับนี่แหละคุณหนีไปมิดเลยมิดจ้อยมิดจีรีเลยเก่ยกับ <c oughs> การหนีก็เหมือนกันนั่นแหละคุณคุณหนีหนีปัญหาหนีสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คุณดับคุณก็หนีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือคุณขี้แพ้ทั้งคู่ ทังสอย่างครับผมแล้วพอต่อไปครับการกดข่มกิเลส น, นี่คือบางทีก็สู้ไม่ได้ก็คือกดไว้ก่อนกดนานไปนานไปนี้จะมีส่วนให้เกิดขั้นในการที่มีโอกาสได้อะไรวิปัสนาบ้างไหมครับมไม่ได้ถ้าเอาแต่กดข่มกดก่มกดข่มไม่ไม่ได้วิปัสนาเพราะมันคนละตระกูลกันวิปัสนาครับ การกดข่มมันคนละตะกูลสมร tha ก็อย่างหนึ่งสมร t ะที่กดข่มมันเป็นคนละตะกูลกันมันมันไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทําไมแบ่งบุคคลเป็นสองบุคคลที่มีแต่โลกุตระก็ไม่มีเจโตสมร t h ไม่มีสมร t h บุคคลที่มีแต่เจโตสมถ tha ไม่มีโลกุตระคนะคนอย่างกดข่มนั้นมันได้ไหมกดข่มกิเลสมาให้มันออกมาทํางานนั้นได้ไหม ได้อันนี้เป็นสัญชาติญาณอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกและของคนโดยเฉพาะคนสัตว์โลกมันไม่ค่อยทำเท่าไหร่แลมันก็ทําบ้างนะสัตว์โลกก็มันก็ทําไม่ใช่มันไม่ทําเลยแต่คนนี่แหละรู้ดีแล้วก็กดข่มทั้งนั้นนะครับทำสัญชาติญาณตามปกติแล้วแต่ใครจะกดมากกดน้อยใครจะข่มมากข่น้อยแม้ข่มไม่ได้มันก็เลยพยายามหาเล่เพื่อที่จะแสดงออกแล้วมันก็แสดงออก ต่างๆนา น, นาหาวิธีแสดงออกแสดงกิเลสตัวเองให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นดูจนกระทั้งมีคนแก้ไขสังคมเมื่นี่เป็นเรื่องธรรมชาตินี่เรื่องเป็นเรื่องสามัญเรื่องว่ามันจะปิดบังทาไมมปนเรื่องจริงใจมปนเรื่องอะไรตัวใดแลก็จะให้ทำแล้วเธอแลเธอแล้วรา ม, มุกอนาจารอะไรก็ให้ทๆๆๆหําำทำทำไมหมดแสดงกิเลสออกมาราคาโทสะโมหะอะไรก็ให้แสดงหมดธรรมชาติเป็นของจริงใจ มันมีคนพยายามหาทางให้เป็นอย่างนั้นไปเลยพราะฉะการกดข่มนั่นนะ่ะมันมีประโยชน์ก็ไม่ใช่มันมีประโยชน์อยู่แต่มันไม่ได้ทางละนายคลายมันไม่ไทางกาจัดกิเลสต้องรู้ตัวกิเลสคือเหตุสำคัญที่มันพาให้เราเองเป็นอะไรแต่อะไรอยู่เนียแล้วรู้ด้วยปัญญาที่อาตมายาบยามมันกาจัดด้วยไฟปัญญามันไม่ได้กาจัดด้วยการกดข่ม มันมีพลังงานจริงๆพลังงานของไฟปัญญาคือปัญญาบางทีมันไม่ถันก็เลยกดไปก่อนถ้กดไปไ่ อ, นน อ, อันนั้นมันทําไปอัตโนมัติอยู่แล้วน้อยมากทําทุกคนนะแต่เรารู้ซะว่าเอเออย่างนี้วิปปะอันนี้มีคําพนะอันนี้มันกดข่มอันนี้กําลั ง, ลงเราพิจารณาเราต้องใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาให้เป็นไอ้กดข่มคุณไม่ต้องไปเรียนมากมายมันทําอยู่แล้วเป็นอัตโน ม, มัติอยู่น้อยมากแต่ละคนทุกคนมีครับผมอย่าไปช่วยมันมาก ช่วยมันมัก็เลยไม่มีวิปัสนามันไม่ได้ทํำวิปัสนาต้องพยายามให้ขึ้นมาทํำวิปัสนาไอ้กดข่มในสังคมกต้องกดข่มจริงโดยสัญชาติยานธรรมดาไม่เรียนธรรมะไรมันก็ต้กดข่มคือคนมีมารยาทสังคมมีกดข่มท่านั้นน่ะคุณมีราคาคุณมีโทสะคุณไปในสังคมหรือคุณดิวเยู่กับคนผู้คนนี้คุณแสดงออกทุกตัวเลยคุณรู้ว่ากดบางทีมันไม่รู้ว่ามันกดธหรอกแต่มันกดข่มไปแล้วใช่ไหมมันกดข่มแล้วอย่าพึ่งเลย มันโกรธแล้วนะแล้วคุณก็ข่มไปแล้วโดยคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่คุณกดกดข่มกดมันไแล้วใช่ไหมอ่เพราะงั้นไม่ต้องห่วงหรอกการกดข่มเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันก็ทำกันมาทุกคนรู้มัน้ได้ว่าอ๋ออย่างนี้กดข่มอย่างนี้กำลังใช้ปัญญาฝึกเรียนรู้วิปัสสนารู้ใช้ปัญญาเห็นว่ามันไม่ชวนยึดมั่นถือมั่นเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเห็นว่ามัน ต้องเกิดไปแล้วมันมีเหตุมีผลของมันมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนักงเรียนรู้ไปแล้วเราไปมันไปถืออยู่เพราะอะไรเรียนรู้นั่นคือการสร้างปัญญาให้รู้จกักทุกๆเหตุปัจจัยทุกๆเรื่องราวครับขอบคุณครับค่ะน้องก อ, อการค่ะดิฉันดาวพรชาวหินฟ้าค่ะ ก็ตอนนี้ก็สังกัดอยู่ทีมนานะคะยืนยืนไหม่งั้นไม่ได้คนที่เขาถ่ายเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนเพราะว่าผู้นี้มันออกลำโพงมันไม่รู้ดิฉันก็สังกัดอยู่ทีมกสิกรรมนานะคะก็ขอประทับใจพี่หนึ่งฟ้านะคะเพราะว่าพี่หนึ่งฟ้าเป็นเป็นฟ้าที่ทําให้ดาวเปิดและเกิดที่นี่นะคะนานดิฉันก็คิดว่าพี่หนึ่งฟ้านี่เป็นเป็นจุดธนวลที่ทำทำให้พวกดิฉันได้มาบําเพ็ญบารมีที่นี่นะคะก็ขอกราบขอพระคุณพี่หนึ่งฟ้านะคะ คืองานศิละปะที่พี่หนึ่งฟ้าทำนะคะทำให้เรานี่ได้ได้เกิดการล่ ก, กิเลสมากมายหลายอย่างนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เป็นนักศึกษาวนบในในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับการไปทำนา น, นะคะก็มีหลายคนนะคะว่าติดพบก็เลยยอมรับนะคะว่าติดพบเพราะว่าเราเห็นคุณค่านะคะเห็นคุณค่าทางจิตวิญญาณ แล้วก็เห็นเห็นว่า ก, การทํานาที่เป็นสิ่งจําเป็นนะคะซึ่งมันมีแค่ฤดูเดียวนะคะที่ไปทํานาก็อาจจะจิตพบว่างนะคะก็ก็ขอจิตพบในสิ่งที่มันยากลําบากนะคะมันเหนื่อยนะคะเพราะว่าวันแบง<ม>่ไแบงได้แบ่งได้นะก็ต้องตั้งใจอะไรที่เราตั้งใจแล้วต้องทําไม่ใช่พอเสร็จแล้วอะไรมาเจออีกปิดใส่พบไปอีกใส่พบไปอี ก, ไ, อกไม่เป็นไงพอดี ก็ตั้งพบไว้ตั้งใจไว้แค่นี้อันนี้ใส่พบไว้อันนั้ไม่ต้องอันนั้นไว้ก่อนอันนี้เอาเอาเอแล้วเอาไ อ, อ, อ้ที่ตัวเราตั้งไว้นี่ย ใ, ให้ทำทำอย่าไปหนีอย่าไ ป, า ไ, ปาไปผ่อนมันไปออกไปเอาผ่อนไว้อีกผ่อนไว้อีกไม่ได้ตั้งไว้เท่าไหร่ประมาณก่อนประมาณให้ดีเออเราทําอันนี้ทําให้ได้ถ้าไม่เช่นนั้นมันไม่มีเขตที่ทําให้ตัวเองมีมีกรอบในการทําให้มันสําเร็จค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพ่อครู ก็วันนี้ก็สดๆนะคะที่ไปเจอผัดสะกันอยู่ที่นานะคะเพราะว่ามันนานี้มันนาที่ซื้อใหม่มันน้ำลึกมากนะคะน้ำลึกแล้วก็แดดร้อนนะคะเราก็เรียกร้องจะให้พี่ๆมาดำใกล้ๆกันนะคะที่ไหนที่ไหนที่ที่บ้านข้อวางค่ะเพราะท่านนานาสบไร่ค่ะ12บสองไร่ที่ มันมากมันมาเยอะอัตมาแล้วทีนี้น้ํามันก็ท่วมแล้วท่วมอีกนะคะเราก็ใช้ความเพียรพยายามไปดํารอบที่สองนะคะเราก็เรียกร้องว่าให้มาดําช่วยกันก่อนอีกคนหนึ่งก็ไปซ่อมข้าวอยู่นะเราก็เกิดอัตมามาอ้จะมาเดินถนนข้าวขึ้นเต็มเลยหมดถนนถนนนทางแดนอะไรเต็มเลยหมดถนนข้าวมันขึ้นเต็มหมดเลยเนี่ยทั้งแดดจัดแล้วอัตมาเราก็จัดนะคะมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนถึงถึงเราเราคิดว่าเอ๊ะ ใครบังคับให้เรามาทําเราก็เลือกเองเราอยากมาทําเองแล้วทําไมจะไปโกรธให้พี่เขามันก็มีตัวกิเลสอัตตาขึ้นนะคะนี้เราก็ได้วิปัสสนาว่าพวกครูเคยบอกว่าถ้าเหนื่อยก็ถ้าเหนื่อยนะก็พักก็รู้พักรู้เพียรฉันก็เหนื่อยมากแนละ้วก็เลยขึ้นมาพักมาพักแล้วก็มานั่งวิปัสสนานะคะแล้วเราจะไปโกรธเขาทําไมก็ไม่มาช่วยแล้วก็ทําสิทําให้มันแค่เห็นซูดกูดเห็นถึงแเราพอต้องอยากไม่เหตุอีกอะนะ แคเห็นมันสุดแล้วก็เห็นมันดีที่สุดแล้วก็บ่กต้องไปเคียวในไพ่แต่นะก็เลยนึกรู้สึกว่าโอ้งานศิละปะของพระเจ้ทาที่ของพ่ครูที่สอนให้เรานี่มันเป็นงานศิละปะที่ล้ําค่านะคะสามารถทําให้คนนี่เปลี่ยนจิตใจที่อยากไปทะเลาะอยากไปว่าให้พี่เขาอยุดก็ไม่ว่าน ะ, ะก็เลยมามองดูที่ตัวเองว่าเออเรามันก็มีเพื่อนทํานะก็มีแค่นี้เนาะร่วมทุกร่วมสุขกันนะคะมันก็คิดถึงมุมดีๆของแต่ละคนนะคะมันก็คลาย ใคร จ, จุดตัวที่มันจะไปหาเรื่องให้เขานะคะก็เลยคิดว่าแม้เราไปทำนาอยู่ข้างนอกเราก็ใช้ศิละปะใช้การเดินมรรคองแปดนะฮะแต่เพียงแต่ว่าการจัดสรรเวลาบางทีเราหนีห้องเรียนบ่อยๆนะคะฉะนันก็ตกใจนะคะกลัวเพื่อนๆจะบรรลุธรรมก่อนในฐานะเรามารอบแรกเราก็คงคงจะช่วงชิงไม่เสียโอกาสนะคะ ก็ต้องการาบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเพื่อนวอนบอที่เป็นห่วงหลายคนนะคะบอกว่ารีบทำนาเดี๋ยวรีบมาเข้าห้องเรียนนะคะก็ ค, คิดว่าศิล ป, ปะอันยอดจริงก็คือการลดกิเลสของตัวเราเองค่ะสาธุอ้าวใครต่อเร็วใครได้มไดมโครโฟนแล้วเอาเลยได้ไม<ด>โครโฟนแล้วแล้วก็ยกมือแล้วก็เดี๋ยวไมโครโฟนเดยกันมาเดินมาหาอ้าวขอข่าวการนะคะน้องเห็นแล้วน้องาติดนั่งนะคะ ก็ขอออกาศนิดนึงนะคะดิฉันชื่อฝนพราวพลยนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ของของอโศกนะคะของพอดีเป็นนิสิตของวนอนบอ ด, ด้วยนะคะพูดบางทีสำเนียงหรือภาษาอาจจะไม่ติดขัดนิดหน่อยก็ขออภัยในโอกาสนีน้เลยนะคะดิฉันมาทุกครั้งที่บ้านราชก็จะมาเฉพาะช่วงที่มีงาน นะคะก็คนก็เยอะทํางานกันก็เยอะอะไรก็เยอะแล้วมาครั้งนี้ก็บนบคนก็เยอะช่วยกันทําโน่นทนํานี่ก็เลยไม่เคยไม่เคยรู้ไม่ไม่ไดไ้รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากที่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะคะแม้จะเข้าไปที่ปฏิบัติศิญปดหรืออะไรเนี่ยของของที่สันติอโศกก็เช่นกันนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าบรรยากาศของทุกของอโศกค่ะเราก็เลยว่าเออก็ก็เป็นเหมือนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงงเงี้ยคะ่ะ แล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าพ่อครูนี้ก็ช่างแบบหาปัจจัยมาให้ในการปฏิบัติธรรมอะค่ะไหนจะทั้งงานทั้งอยู่ในหมู่กลุ่มซึ่งดิฉันคิดว่าโอ้โหใครแบบนาะช่างช่องพ่อครูไปเอามาจากไห น, นเน<อ>าะแต่พ่พพอคร่ก็บอกอว่ า, ามีทั้งงานทั้งหมู่กลุ่มเนี่ค่ะเป็นปัใจจัยในการปฏิบัติธรรมซึ่งดิฉันมาเห็นตรงเนี้ยแล้วทีนี้พอมันต้องเจอ ภาษาใช่ไหมคะซึ่งก็อยู่ในทั้งงานทั้งหมู่กลุ่มนี่ยลคะค่ะที่จะเป็นปัใจจัยให้ดังนั้นเมื่อเมื่อวันก่อนพ่อครูบอกว่าก็ให้ตามรู้ในเหตุการณ์นั้นๆอารมณ์นั้นนั้นกิเลสเกิดก็รู้ดับก็รู้ดับได้ก็รู้ดับไม่ได้ก็รู้ซะอีกแต่ว่าถ้าหากว่ามัวแต่พิจารณาด้วยตัวเองอะคะ่ะมันยากยากเพราะว่าจะต้องมัวอนุโลมปฏิโลมเข้าข้างกันอยู่นั่นแหลคะค่ะก็ทีนี้ดิฉันเห็นว่า การที่อยู่กับหมู่กลุ่มนี้นะค ะ, ะ, คะเจอภาษาจากหมู่กลุ่มจากเพื่อนจากพี่จากน้องเหมือนที่ป้าตุ๊กเล่าให้ฟังนะคะก็มีความรู้สึกว่าพอดีครูบาอาจารย์ก็เคยสอนมาเนาะว่าภาษะแม้ว่าเขาจะเข้าใจผิดนะคะถ้าเรามีโอกาสชี้แจงก็ชี้แจงให้เพื่อนสาถ้าหากว่าเขายังหลงเข้าใจผิดอยู่ก็มันก็เป็นวิบากของเราของเขาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตามนั้นอย่างนี้ค่ะเรารือว่าเขาจะตักเตือนเขาจะตําหนิแม้ว่าบางครั้งเขาจะต้องด่าทอ ก็เช่นกันนะคะดิฉันก็มีเลยมีคำก็อยู่ท่วงไล่ไปจิตอาสาอยู่หลังเวทีอะค่ะก็เจอภัสสะอยู่บ่อยๆซึ่งหลายคนบอกว่าุ๊ยจะเข้าไปอยู่อโศกเหรอแ น, น่ใจนะ <laughs> ประมาณนี้นะค่ะคือมีคนรั้งมีคนถ่วงเยอะอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> แต่ว่าก็รู้สึกว่าถ้าเราได้รับผัสสะแล้วความเข้าใจมันก็จากครูบาอาจารย์ก็บอกมาค่ะพอเรารับภัสสะวันนี้วิบากข้างหน้าที่เราเคยทํามามันก็จะลดลงลดลงแล้วทีนี้การเกิดที่ ที่ดิฉันมีความมุ่งมั่นก็คือว่าอยากจะเกิดไอ้อะไรนะคะที่เรียกว่าองค์คุณอุเบกขาหานะคะเพราะว่าตัวเองก็อยากเป็นคนที่มีความฉลาดแววไวเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีปัญญาบารมีแล้วก็ดําเนินตามรอยพระโพธิสัตว์ค่ะขอบคุณค่ะเกิดบุตรภูตธาตุเ <c oughs> ขาขาดขาที่ฉันดาวเย็นค่ะ ก่อน<ก>อื่นก็เาน่นเขายกมือเอาขอไมโครโฟนเดินไปขออนุมันานะคะทีมกศิกรรมที่ไปทำนาเพราะว่าถ้าเป็นดิฉันนี่ต้องร้องหมอลำากรอนของพ่อใหญ่แรงผักค่ะดิฉันนี่จะเป็นสไตล์ฟังดูแลหน้าร้ายไอบ่มักนะดิฉันไม่ชอบทำนาเยอะคนะคือสมัยก่อนคุณพ่อก็มีนาแค่สิบไร่ใกล้ห้วยนะคะก็ไม่ทำมากทำแค่พอกิน แต่ตก็จะทําวงจรอื่นไปด้วยคือชอบปลูกผักตามแม่ปลูกแตงโมอะไรต่างพวกนี้นะแต่นาเยอะนี่เดืนโดนปิงเกาะตั้งแต่เด็กก็เลยมีอุปทานว่าไม่ชอบทํานาแต่ชอบเกี่ยวข้าวและชอบดูข้าวกําลังกําลังซุมนะคะข้าวกาลังซุมนี้มันจะสวยมากน ะ, ะข้าวกําลังซุมก็คือข้าวมันกําลังก้มงวงลงหน่อยอะก้มรวงลงะะแต่ยังไม่เมานะคะยังไม่ถึงข้าเมาน ะ, ะมันเป็นภาพที่สวยมากเลยนะคะ ข, ข้าวเขากาลังซุ่มนะคะ ก็ชอบชอบข้าวตอนมันจะได้เกี่ยวให้ผลผลิตนะคะแต่ดำนานี่ฟังเรื่อหลาหน้าร้ายอายบ่มักนะคะก็เลยรู้สึกว่าชอบนาประเภทสมัยใหม่นะคะถ้าเป็นดิฉันนี้ท่านจะชอบเงี้ยหูฟังว่านาโยนเป็นยังไงนะนาโยนพ่อเยจจาปีนีบอกว่าดีมากก็นั่นนาแบบรุงเกษตรนี่ก็ฟังแล้วก็ชอบอยู่เพราะว่าปลูกแล้วก็จะมีปลูกถั่วตามปลูกปลูกงาตามอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าลุงลุงลุงหินพันธุ์นี่มีประสบการณ์เรื่องกันปลูกถั่วมาเยอะค่ะ ทีนี้ที่สายมวนก็มีอุปสรรคเยอะน5ปีนี้ก็มีคุณยายพรมกับแม่แสงเป็นผู้ช่วยตอนนี้ผลผลิตตอนนี้ก็จะแค่ๆแกล้ๆหน่อยนะฮะดิฉันก็เลยยายบอกว่าเอ อ, อเดี๋ยวจะเอาสลัดมาส่กินมันมีรสขมหน่อยดิฉันก็เลยบอกยายว่าถ้าถ้ามีใครถามก็บอกว่า สลัดพันใหม่นะจ๊ะสลัดนั้นชื่อว่าสลัดเดาว่าเดําเดิมมันอย่างงั้นนะสลัดเดิมมันจะมีขมหน่อยสลัดเดาคือว่ามันไม่ค่อยขมไม่ค่อยมันขี้เกีมีขมบุ่มหน่อยก็เลยช่วยกันกินแล้วกันฮะก่อนจะได้กินผักวุ้งตอนนี้ก็มีแพทยสาวเเท่นี่เหมือนเหมือนคนเยอะนะตอนนี้แต่ว่ามีแต่นายพลมีแต่ขุนพลค่ะขุนพลซึ่งไม่มีพลทหารนะอย่างขุนพลหินพันก็กำลังทําโรงเห็ด คนทหารก็มีอยู่หนึ่งคนช่วยงานนะขุนพลทุ่งข้าวอย่างเงี้ยดิฉันก็ใช้ศิละปะ ก, การให้ช่วยงานโดยดิฉันก็ไปไปกดดันโดยการเอาเอาผักเอาไปปลูกตากแดดให้พ่อใหญ่ไปทำค้างทำที่มุงให้อย่างี้นะขุนพลสมัยหนึ่งก็รากทอน้ำคนเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นภาวะลักษณะนาี้ส่วนพ่อใหญ่ก็มีแม่เขียวอยู่พ่อใหญ่ไม่ผลนะฮะ ก็สนุกดีนะฮะไม่ท้อก็พยายามที่ยิ่งก็เกิดกิเลสอยู่หลายครั้งแล้วนะคะว่างานเจมันเร่งก็จะแอบแอบว่าอยู่ปลูกออมแทบต่อให้เสร็จเนะมันหน้าที่ต้องค่อนไร่นะมันก็ไม่เสร็จสักทีวันนี้เ็่ฟังพาเด็กก็เลยก็เลยจากจะแอบหยุดหยุดตอนเย็นนะแต่พักก็ก็อดไม่ได้นะต้องมาเดือนเดียวโอ้โหเดือนเดียวนะคะอีเดือนหนึ่ง เพระถ้าปูกเร่งน้ําติดตอนนี้เขาก็โตทันอยู่ค่ะก็ผักบุ้งก็วางแผนอยู่พ้าฟังก็พาสอสทอไปช่วยงานก็ก็คิดว่าเร่งๆกันอยู่นะแต่ก็ก็ทําใจอยู่ทุกวันเลยฮะกูจะหลบตอนกลางคือภาคเย็นดีไหมคิดไปคิดมากับยานมูในลื่นกัต้องมาทุกวันฮะก็รู้สึกว่าเริ่มฟังทันฟังทําได้ติดละค่ะระยะนี้ก็ไม่อยากขาดเรียนตอนเย็นค่ะก็ขอบคุณท่านเกษตร พลังดินพ่อสมพงศ์นะคะดินพลังใช่ไหมก็ที่ฉันรู้สึกประทับใจว่าท่านไปแอบดูทุกจุดนะคะไปทั้งนาไปทั้งนาดําไปทั้งสวนไซม่วนไปทั้งที่สวนใหม่ของเราแล้วรู้สึกว่ า, าวางตัวได้สวนใหม่ก็ไซม่วนอยู่แล้วสวนใหม่อีกอสวน <c oughs> ลําโดมค่ะเอก็เห็นพ่อเพื่อนไปแล้วก็ทางเราก็ส่งแต่บอกสวนใหม่ก็เลยงงส่งขุนพลหินพันุ์ไปคนเดียวก็พอแล้วระยะนี้โดมใหญ่ ส่วนดมใหญ่ก็เลยอนุโมท น, นานะคะท่านใ ท, ที่ได้ได้ร่วมจ ะ, ะจะเริม่มเริ่มทำงานนี้ร่วมกันค่ะก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตกสิกรรมจริงๆมันก็จะเป็นยังไงค่ะอาตมาไม่รู้เรื่องหนึ่งอาตมาเดินไปดูนี่เห็นข้าวมันขึ้นเต้มข้างถนนข้างอะไรตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยข้าวมันขึ้นไปเต้มไม่หมดตอนเนี้ยควายมันเข้ามากินหลทีแล้วก็ไล่มันหนีอยู่มันก็ขึ้นใน ต, ตอนเนี้ย เี่ยมันก็จะแตกรงแตกโรงนี่มันพอได้ไหมเนี่ดูๆมันหน่อยนะมันเป็นข้าวตามถนนนั่นเลยคะอ่าตามถนนเนี่ยมันข้าวอ๋อข้าวเกิดจากฟางค่ะที่เรามาคลุมต้นนั่นแหละข้าวเกิดจากฮะมันเกิดจากฟางที่มันจะไม่ม่มันจะไม่มีเม็ดให้เกี่ยวได้บ้างเลยหรอมันเยอะแล้วก็นอะอาลุงตอบหน่อยเยอะแล้วกิน่ะ ดูๆเนี่ยที่ก็ใครพอมีปัญญาพอมีความรู้พ่อท่านครับตัวนี้เป็นข้าวที่เราเอาฟางมาคุมตอนที่เราปลูกต้นยางนั่นแหละจะมืออะไรไม่ได้บอกหาต้นทางดูไดว่าไอต่อไปมนก็ออกรวแต่เราก็มันก็ออกรวงให้เรากินได้ถ้าเราไม่มีอุปทานที่บอกว่าเหมือนมองผู้หญิงเนี่ยครับมันต้องสูงยาวขาวมวยสวยอื้มเล็ที่มือสวยถ้าเรากินข้าวแล้วมันเส้นได้มันเยอะเลย แล้วก็กินได้ค่ะกินได้อ่านั่นแหละดูหน่อยดูหน่อยนะทำไมาเห็นโอโ้โหทำไมมันปีนี้มันทําไมมันเข้าวขึ้นพวกนี้เต็มไม่หมดมันไม่เหมือนก่อนนี้แต่วันปีนี้แล้มันแปลกช่วยกันดูหน่อยเสดายถ้าเผื่อว่ามันได้กินได้อย่างคุณว่านเออมันอาจจะไม่เป็นข้าวอย่างดีอย่างเยี่ยมอะไรก็เอานะอย่างน้อยกับเอามาให้ผงให้โยมงามทําผงให้ปลาก็อย่างดี <laughs> หมดเวลาแล้วแหละอันนี่มันสองทุ่มยี่สิแล้วนะอะเนี่ยสมณานะท่านก็ธีกมากไมโครโฟนยังไม่ปีในมือเห็นสมณาะจ่อถือไมโครโฟนแล้วนั่นะท่านดวนดีจ่อใส่ปากแล้วเอ้าเอาต่อต่ อ, ตอทงนงรถปิดปิ ด, ปดละนส่นักาววะเอาทางนี้เลยเอาโอ้สองท2 2> ุ่มยก่สนจะ25่้าแล้วรับกราบเขากอากาครับ ก็ผมมีเรื่องถามพ่อครูนิดนึงนะครับคือเมื่อคราวนึงผมออกรายการทีวีเนี่ยแล้วผมก็เตวิดโชว่าผมเอจอปัจจัเรื่องที่ผมไปสูบช่วมให้กับคารวัตญาติโยมยนะครับแล้วก็โทรมาอะไรมาเนี่ยผมก็เจอภาษาผมก็เล่าไปในรายการนั้นนะครับพอหลังจากนั้นก็มีทั้งคารวาัตทั้งสมณะเราก็มาให้ผมทรัพย์ผมนะครับว่าเอ๊ท่านพูดอย่างนี้มันเหมือนกับไปรับใช้คารวัตเขานะ ผมก็เลยถามท่านกับคืนด้ว่าดีดีอันนี้ดีมากเลยถามอันนี้ดีว่ะไอภาษาที่พระเจ้าท่านบอกว่าผิดวินัยนตัวไว้ครับรับใช้คารวาสนี่น ะ, ะมันมีความหมายอย่างไรรับใช้คารวาสมีความหมายอย่างนี้หนึ่งไปทำงานเพื่อจะได้ลาบยศสรรเสริญตอบแทนนั่นยังหยาบนั่นคือรับใช้คารวาสโดยตรงเลย ทําทงานเพื่อที่จะต้องแลกเลี่ยเพราะฉะนั้นใครไปเทศอย่างพระไปเทศเทศไปเทศตรงนั้นนิมนต์ไปเท ศ, เท ศ, เทศตรงนี้นันมมนน่นคือรับใช้ครว่าดโดยตรงเลยไปเทศเพื่อได้เงินก็คือลูกน้องหากินในสังคมประเทศนี่แหละในสังคมนี่แหละเรรับใช้หาเงินนะ่ะนั่นคือรับใช้ครวา่าทํางานเพื่อที่จะแลกราบยศสันเสริญองค์กรสุขนั่นแหละคือรับใช้ครวา่า แต่ถ้าเราไปทำงานให้แก่ใครก็แล้วแต่ให้ค า, ารวะก็ตามใจจะเป็นค า, ารวะได้รับประโยชน์ก็ช่างเราทำงานอย่างนี้ไม่ได้ทำแลกเงินแลกลาบยศสันเสริญโลกีสุขอะไรเลยเราทำเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลผู้อช่วยเหลืออย่างนี้เป็นหน้าที่ของพระร0 0เอร์เซเต็มเต็ม เข้าใจชัดไหมเขาไอ้ทีแ่แปลว่ารับใช้คารวาอย่างนั้นมันเรื่องสักดินาที่คุณพูดนั่นน่ะหมายถึงศักดินาฉันฉันสูงฉันไม่รับใช้คนฉนต่ำชนฉันนี้แล้วนันมันสักดินามันไม่ใช่สัจธรรมเข้าใจให้ถูกต้องนี่ผิดพลาดกันมานานมาไกลมาม า, มากแล้ว มันมีอย่างนี้ยังอาตมาเนี่ยเหมือนเป็นคนมีฐานะทางนี่แหละก็ฐานะทางสังคมหรือฐานะทางเป็นนักบวชก็ตามเป็นนักบวชและอาตมาจะไปะทำงานให้คนนั้นคนนี้ไปเหมือนกระรับใช้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากให้ทำอันนี้มันเป็นสัจธรรมซ้อนเราก็ไม่ทำ เช่นนนี้อาตมาก็ปล่อยให้ท่านหนักแน่นทำปล่อยให้ท่านแซนดินทำอาตมาไม่ทำเช่ น, นอาตมาเด๋ยนนี้นี่นะมักง่ายถึงขนาดตื่นนอนอาตมาไม่พา้าผ้าปูว่าผ้าห่มแล้วนะอาตมาลุกมาก็ปล่อยให้ทั้ ง, งนี้ทำนะมือกอับอาตมาใช้เมือกับมารับใช้อาตมาเมือกอับอาตมามีผู้รับใช้นีผู้รับใช้อย่างนั้นไม่ใช่ใช้เป็นทำงานกับคนคนงงาน คนเราแบ่งเบากันคนงานคนเราหน้าที่หน้าที่รับใช้มันลึกซึ้งอย่างที่อาตมากล่าวแล้วรับใช้นะี่คือทำงานเพื่อต้องการก็เขาเป็นนายเราเป็นลูกจ้างนี่คือรับใช้ต้องการลาบยอส่วเสริญโลกีสุขอะไรก็ตามโลกีนี่ความหมายที่แท้จริงของการรับใช้เพรา ะ, ะทำประโยชน์ให้สังคมอย่างนี้คุณไปรับใช้อะไรคุณไปได้เบี้ยบาย้านอะไร ได้ได้อะไรมาจะบอกว่าได้รับคํามเฉลยอดีไม่ดีถูกทวงด้วยทวงด้วยความอภิชาทวงว่าด้วยอภิชาว่าเราไปรับช้ฆราวาสนี่คือความผิดพลาดของธรรมะของศาสนาที่ไกลมากลึกซึ้งมากแต่แน่นอนว่ามันมีขั้นตอนอยู่ว่าไ อ, อย่างงี้เนี่ยเออเราก็ไม่ควรจะทําอันนี้ให้เขาทาเถอะอย่าไปแย่งเขาทาเลยยังอาตมาไม่แย่งท่าน แทนดินไม่ย่างท่านนักแ น, น่นไม่ย่งทางดินไทยไม่ย่งท่านเดินดินอะไรที่เออนี้ให้ท่านทำอันนี้ท่านทำอย่างนี้เป็นต้นมือก็เราใช้มือก็เราเป็เจ้าเป็นนายถ้าเราไปทําันนู้นมือเรามารับใช้นี่เมือเมือคนนั้นเป็นคนรับใช้นั่นแหะซึ่งมันไม่ใช่มารับใช้แบ่งหน้าที่ทํากันเป็นคนละทีอันนี้เออคนนี้คนนี้ทําอันนี้นั่นมองเป็นเมืองสัตว์ดิน่าไปคิดดีๆไปเข้าทำความเข้าใจดีๆ ไอความหมายที่เขาพูดนะ่ะเปนเรื่องศักดินาเขาเข้าใจอย่างนั้นนะ่ะความจริงรับใช้นั่นคือที่อาารอธิบายแล้วการรับใช้รับใช้คารวารับใช้ใครก็แล้วแต่พระด้กันก็ตามคุณไม่ต้องการอะไรของเขาะคุณคไม่งั้นนะผมไปกอกปุ๋ยยิ่งนะท่านดวนดีก็รับใช่สิเพราะว่าขายด้วยอ่ะเออีอไปใหญ่เลยคราวนี้ออไม่ใช่ครับเราไปทํางานช่วยสังคมช่วยกันสร้างสรรค์ช่วยกันทําประโยชน์ให้แกสังคม ท่านก็แนะนําผมว่าท่านน่าจะไปแสดงธรรมเลือกงานแสดงธรรมดีกว่ามาั้งจะเหมาะกับไปนี่แหละแสดงธรรมทางกายยธรรมครับผมก็ตอบเข้าไปท่านไปไงั้นแหละครับเอเอผมต้อไปแสดงธรรมนะนี่ไปทํางาน เ, <อ>เกียรติฉลศแสดงธรรม<อ> ท, ทางกายยธรรมจะเป็นอะไรธรรมะโล ก, กุตระดูรู้ไหมโล ก, กุตระคือจิตปั ญ, ญญาณปรมัตฯนี่เราไม่ได้มาต้องการรับชัยคุณนะไม่ได้ต้องการลาบยอดสันสเดในตอบแทนจากคุณเลยนี่คือเราไม่ได้รับใชย ก็รู้ประมาทนี้ไหมล่ะดีมากดีมากประเด็นนี้ก็ว่าอยากอธิบายหลายทีและ้ะไม่งั้นแนละ้วพวกเราก็เลยคาค า, า ม, มือไรจางแอคอาร์ตอยู่ในพวกสักดีนานี่สมณะกับสักดินาอยู่เยอะแต่สมณะเราก็ไม่ได้รับแช่ประชาชนแต่ทํางานช่วยเหลือประชาชนเป็นพระพุชนะหิตายะพุชนสุส ข, ขายะเราทําอยู่แล้วหลายหลายคนยังมีติดมีอมิจฉาทิฏฐิแบบที่ประเด็นที่ท่านโดนนี้ มี่คารวะเขาทวงมานี่แหละขอการพระพันธค่ะสมณะหลายรูปก็ยังติดอยู่ขอขอค่ะขอกาศนิดนึงนะคะคือประเด็นสืบเนื่องกันนะคะอมีก็มีญาติโยมนะคะบอกว่าสมณะสิ่งมาน่าจะเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาเท e ่านั้นก็เป็นแต่หลายอย่างก็ต้องทําอัตมาเราทำาเ ท, ท่ า, าไหร่อ่ะดูซิ่นอัตมาทำมาเนี่ยปฐมโสร์อัตมาโอโ้โหกับ อะไรงามดีมากอะไรงี้ดีง่ายเนี่ยแต่ก่อนก็หินอ่อนช่วยหินอ่อนตื่นแต่ชาวมานัดกันตั้งแต่บางทีเอานัดตั้งแต่ตีสีต่ตีห้าไฟามีแสงสว่างตั้งแต่สร้างปฐุมสะพไปช่วยกันยกหินตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้ตั้งโอ้โหหินนั่นะอาตมา ก, ก็งามงามดีนะดีมากนี่แหละจะเข้าไปคนขับแบคโคอไงอาตมา ก, ก็ยกกันสองคน แล้วก็มีคนอื่นช่วยบ้างบางทีบางครั้งบางคราวโอ้โหทำหมดัรงนั้นน่ะอาตมาเขาทำแต่ก่อนนี้นะอาตมาเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าเอออาตมาควรจะมาทํำใ้สิ่งที่มันควรจะทําต่อซึ่งมันมัค่อยมีเวลาอยู่แล้วจะต้องทำตำรับตำราจะต้องทําอะไรพวกนี้การสอนอะไรพวกนี้เยอะแยะหน้าที่บริหารหน้าที่อะไรพวกนี้ก็เลยไม่ได้ทำนะพวกนี้แต่ก่อนนั้นก็อาตมาก็ทําที่นี่ก็ทำโยงยิ้งยกเงนที่นี่มันก็จะยังน้อยแต่ ปฐมเนะี่ยโหมา ส, สันติก็ไม่ใช่น้อยแต่ปฐมนะั้นเต็มที่เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่แต่เพียงว่าไม่ทําให้ผิดวินัยบางอย่างเท่านั้นเองสิ่งใดทําได้ก็ทําแต่ก่อนเนี้ยมันไม่งานไม่เมือนไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ก็เลยก็เลยคิดอย่างนี้นะว่าคือมันมันก็ไปด้วยกันทั้งสองอย่างคือเราทําด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะอือค่ะก็ ขอกาสพระครูหมสูสมณะสิขมาจเล่นทำข<อ>าคนสุดท้ายแล้วนี่จะสองสทุมครึงนะสองทุ่มครนะึ่งวนี้มือเช้าเดินออกกําลังกายมือเช้านี้เห็นเ ด, เด็กนักเรียนนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้สองสามคนแล้วก็เห็นนักเรียนตัวเล็กๆนะ่ะเข็นอาหารมานะ่ะตาก็นึกถึงว่าเออเด็กพวกนี้มีบุญเนาะคือเขาเป็นเจ้าของมรดกอะนะเขาต้องทำเอา และเมื่อวานก็มีประชุมเมื่อวานที่จะสร้างตึกอยู่ข้างหลังเนี่ยแนหลังพระพุทโตเนี่ยสร้างตึกอาคารเรียนอาคารเรียนนะกว้างสามสิบเมตรแล้วก็ยาวห้าสิบเมตรแต่ละชั้นเนี่ยสูงชั้นลห้าเมตรนะแต่ละชั้นเนี่ยค่าค่าใช้จ่ายเท่าไรสี่สิบล้านหรืไงเนี่ยนะก็รวมแล้วก็ร้อยหกสิบล้านนะไม่ถึงเรา เชิงอ่ะใชลยสิบห้า ล, ล้านเหรอมันเตบอกว่าสีสิบล้านกเหมือนกันตะเกียบเชิงอ่านะดังนั้นพวกเรานะไปลงปุ๋ยก็ช่วยกันเก็นปุ๋ย <laughs> อาจจะเริ่นนำอ้าเอาละอ่าวันนี้ว่าไปไปส่งทายเดี๋ยวพรุ่งนี้อาตมาก็จะเข้า ยังไม่ได้เก็บของเลยยังไม่ได้จัดอะไรเท่ไรเข้าของในพวงนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าไปแต่เช้านี่เอามาจากเอามาจากโดมใหญ่ส่วนโดมใหญ่เนี่ยมังคุดอไอ้อรระ ก, กรรมอะไรเนี่ยสมโอด้วยใช่ไหม อนี่มันอะไรนะไอเนี่ย